เวลาฟังธรรมะเป็นเวลาที่เราต้องอุทิศถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเวลาของความเคารพนะงั้เราสำรวมกายวาจาของเราทุกวันนี้พวกเราฟังเทศก็ฟังได้ดีเรามีสติอยู่คนโบราณฟังเทศชอบฟังเทศไปวัดประจำเลยแต่ฟังไม่เป็นหรอกบางคนไปเทศแข่งกับพระ เริ่มนโมโยมก็คุยแล้วพอพูดธรรมะยาวหน่อยโยมก็หลับตื่นขึ้นมาก็ซาธุสดชื่นได้ขึ้นสวัสดนะิ์ละขึ้นง่ายป่านนั้นทุกวันนี้เราฟังเทศเราฟังเป็นนะเราฟังด้วยสตินะมีใจตั้งมั่นมีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกัตัวจิตใจที่มีคุณภาพก็สามารถรองรับธรรมะได้ธรรมะเป็นของสูงของประณีต ไม่ใช่ของชุยชุยหยาบหยับใจที่หยาบหยบรับธรรมะไม่ได้งั้เราเวลาจะฟังธรรมะนะเราทำใจสบายจำทำใจให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำใจให้มีความสุขหายใจก่อนหายใจด้วยความรู้สึกที่ผ่อนคลายหายใจออกก่อนหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไปหายใจออกมันจะทาให้เราผ่อนคลายหายใจเข้ามันจะตึงขึ้นมา จิตใจเราผ่อนคลายแต่อย่าให้ถึงหลับนะคนผ่อนคลายมากไปหลับไปเลยนะเอาพอดีพอดีไม่ฟุ้งซ่านคือก็ออไม่ซึมไปพวกเราหน้าตาแต่ละคนที่มาฟังทำวันนี้ส่วนมากคงเคยฟังหลวงพ่อมาแล้วคนที่เคยฟังทำจากหลวงพ่อหน้าตามันมีเอกลักษณ์หน้าตามันเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ไม่ใช่ผู้เพ้อผู้ฝั น, ผ, นผู้เคลิบเคลิมลืมเน้อลืมตัวผู้เคร่งเครียดครูบาอาจารย์ที่ท่านตาขมขมนะบาทีเห็นโยมเข้าวัดเนี่ยท่านเคยพูดเลยว่าเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าลูกศิษย์ใครถ้าเรียนกับหลวงพ่อนะใจมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาไม่ใช่ทําสมาธิแบบไม่ได้เรื่องได้เราเคร่งเครียดหรือว่าเคลอบเคลิมลืมเนื้อลืมตัวเครียดไปก็ตึงไป คลบเคลมลืมเนื้อลื ม, ล ม, ลมตัวก็หย่อนไปไม่ใช่ทางสายกลางการปฏิบัติธรรมนะั้นาก็ปฏิบัติอะไรบ้างก็ปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติทางใจกายวาจาของเราเราก็รักษาศีลเอาไว้ศีลที่จําเป็นคือศีล5้าคานะรวะรักษายากศีลห้าโดยฉพาะข้อ4รักษาลําบากนะบางทีกระพร่องกับแกลงไปบ้างเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านก็เข้าใจอันนี้ ท่านเคยพูดไว้ว่าคราวญาจะรักษาศีลให้สะอาดหมดจดงดงามเหมือนหอยสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยทำได้ยากนี่ถ้าเมื่อไหร่ศีลเราก็ล้องกระแรงด่างพร้อยไปนะเราก็ตั้งใจสำรวมระวังใหมนะ่ตอนนั้นก็พลาดไปแล้วก็แล้วไปนะพยายามไม่ทำซ้ำก็แล้วกันนะพยายามเข้าศีลเป็นเครื่องขัดเกลากายวาจาของเราให้เรียบร้อย กายวาจายัางไงมันเรียบร้อยมันไม่ลุกรานไกลนะไกายวาจาถ้าทำผิดศีลก็ลุกรานคนอื่นมีกายมีวาจาไม่เรียบร้อยนะการที่เรามาฝึกกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นพื้นฐานมันจะทำให้ใจเรียบร้อยได้ง่ายขึ้นถ้ากายวาจาเราไม่ดีจะจิตใจมันจะสงบยากจิตใจจะเรียบร้อยยากกายวาจาของหยาบยา บ, ยาบอย่างดูแลไม่ไหวเลย ใจเป็นของละเอียดใจเป็นของประณีตเนี่ยดูแลยังไงไหวนะงั้นถ้ากระทั่งรักษาศีล5้านะยังรักษาไม่ได้เลยอนะไรเนี่ยยังหวังจะได้มรกได้ผลเลยเนะี่ยมันก็หวังเกินตัวไปนะกายวาจา ย, ยังดูแลให้เรียบร้อยไม่ได้เลยยังไปดูแลใจได้ยังไงนะใจดูแลยากกว่ากายวาจาอีกแต่ถ้าลำพังดูแลกายกับวาจายอย่างเดียวนะไม่เคยรู้จักการดูแลจิตใจตัวเองก็รักษาศีลลาบากอีกนะมันช่วยกันนะ ถ้าเรารักษาศีลได้กายวาจาเราก็เรียบร้อยง่ายกายวาจาเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยการรักษาศีลอย่งง่ายหนักกว่าเก่าอีกเนะมื่อเลายเป็นว่าศีลนันแะนะมารักษาจิตให้มีสมาธินะสมาธิปัญญาอะไรพวกนี้สติสมาธิปัญญาช่วยให้เรารักษาศีลได้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆนี้พอมาถึงขั้นการขัดเกลาจิตใจมันมีงานที่เราทำสองอย่าง พระพุ ah. ทธเจ้าท่านสอนบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะอริยปัสนางั้นควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งท่านไม่ได้สอนนะว่าธรรมะที่ควรเจริญคือสมถะอริปัสนาบางคนบอกว่าท่านสอนให้ทําสมถะวิปัสนาฉะนั้นพูดหยาบไปพูดตกหล่นสาระสําคัญที่ท่านสอนไปท่านสอนบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งนะ คือสมถนะแล้วไปปรัชนาถ้าปราศจากปัญญาแยิ่งนําไปทาาําสมถะเขาก็สมถะผิดเองจเจริญปัญญาก็จเจริญผิดเองไม่รู้ไม่มีปัญญาตีกรอบการปฏิบัติให้มันถูกต้องงั้นการปฏิบัติจะถูกต้องนั้นเราต้องมีปัญญาในเบื้องต้นซะก่อนรู้ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรนะเราจะไปดัดอะไรจะปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรก็นะรต้องรู้อย่างเวลาหลวงพ่อสอนนะจะแยกแยะมากเลยว่า เวลาพวกเราส่งเงินบ้านเนี่ยจิตมันดําเนินไปอย่างนี้อย่างนี้พ่อก็จะอธิบายว่าตรงนี้เป็นเรื่องของสมถะนะเรื่องของสมาธินะตรงนี้เป็นส่วยของการเดินปัญญานะต้องพยายามแยกแยะให้ออกถ้าภาวนามั่วๆปนๆกันนะร้อยคนพันคนนี่มันจะหลุดออกมาได้สักคนหนึ่งนะอยสมัยก่อนนะสักหลาย10ปีก่อนคนนั่งสมาธิเยอะมากเลยตามวัดตามอะไรนะครูบาอาจารย์สอนตามวัดป่าตามอะไรเงี้ย คนนั่งสมาธิคืนคืนหนึ่งตามวัดใหญ่ๆนะที่ครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงนั้นตั้งหลายร้อยคนนะแต่มันนั่งถูกนี่มีไม่กี่คนนะส่วนนั่งนั่งไม่ถูกไม่รู้หลักเห็นเขานั่งก็นั่งตามตามเข้าไปคนละ้ายๆคนตาบอดจูงคนตาบอดตามกันไปได้ไม่ได้เรื่องได้เราเหนื่อยเปล่าๆได้ความเครียดกลับบ้านไปซะอีกทีหรือได้ความหลงตัวไปว่ากูเก่งกูเก่งทงัทง้ทงๆที่กูสู้กิเลสไม่ได้จริงหรอก เราต้องรู้นะว่าการปฏิบัติในทางจิตใจนะมี2 ส, ส่วนส่วนหนึ่งคือสมถกรรมฐานส่วนหนึ่งคือวิปัสสนากรรมฐานต้องแยกให้ออกเวลาที่เราทําสมถะ ถ, ถูกต้องเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาคือมีสองส่วนสมถะที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องีมอง่มี2 อ, อย่า ง, อ, อ, นนง อ, าอีกอันหนึ่งเป็นสมาธิเพื่อการพักผ่อนจิตใจทําให้จิตใจสดชื่นอีกอันหนึ่งเป็นสมาธิเพื่อจะเอาไว้ใช้เจริญปัญญา สมาธิสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเลยถ้าเราแยกไม่ออกเนี่ยออา์ก็จะนั่งสมาธินั่งสมาธิถ้าไม่ไปเป็ น, ปนมิจฉาสมาธิซะก่อนนะส่วนใหญ่ไ ป, ไปทำสมาธิเพื่อความสงบสอนกันทั่วทั่วไปก็บอกว่าไม่มีสมาธิก็เดินปัญญาไม่ได้พูดอย่างนี้ก็หยาบเกินไปอีกแล้วนะถ้าพูดให้ถูกก็ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นถึงจะเดินปัญญาได้ ถ้าไม่มีสมาธิที่จิตตั้งมั่นเดินปัญญาไม่ได้ในขั้นการฝึกสมาธิก็ยังมี2งานงานหนึ่งฝึกไปเพื่อความสุขความสงบของจิตใจงานหนึ่งฝึกไปเพื่อให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี้ยไปเจริญปัญญางานที่2ของเราคือการเจริญปัญญาเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยคนทึ่ทาสมาธิชนิดพักผ่อนเนี่ยมันจะติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแยกไม่ออกนะว่าสมาธิมีสองชนิดคิดว่ามีอย่างเดียวเองอาก็นั่งพุโทโธนั่งหายใจนั่งดูท้องพองยุบเลยไปเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้ารู้การกระทบที่พื้นอะไรต่ออะไรนะเป็นสมาธิอย่างแรกไปสมาธิอย่างแรกเนี่ยที่ว่ า, าไว้พักผ่อนมันมีกฎมีหลักการของการปฏิบัติสมาธิชนิดพักผ่อนควรทํา ดยปัญญาอันยิ่งทำแล้วรู้ว่าเราทําสมาธิชนิดจะพักผ่อนนะขณะ น, นี้จิตใจเราว้าวุ่นมากเลยเราต้องการให้จิตใจได้พักผ่อนจิตใจเหน็ดเหนื่อยมากต้องการได้พักผ่อนเราทํางานที่เครียดมากๆเนี่ยจิตใจต้องการพักผ่อนตอนนี้ไม่ใช่เจอเวลาจะเดินปัญญาแล้วนะยังทํางานถ้าหัวโตหรือเครียดจัดๆเนี่ยไม่ใช่เวลาเดินปัญญาหรอกเป็นเวลาต้องพักผ่อนทางกายทางใจพักผ่อนร่างกายอาบน้ํากินข้าวนะ นอนอะไรพวกนี้นะเอ็กซอร์ซายให้รีแลกซ์สัหน่อยอะไรเงี้ยเหมพักผ่อนทางจิตใจก็คือการทําความสงบจิตเข้ามาหลักการในการทําความสงบจิตนะมีอันเดียวคือการน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวนะอย่างต่อเนื่องก็เป็นอารมณ์ที่มีความสุขด้วยนะเป็นอารมณ์ที่ไม่ยัว่วยกิเลส ด, ด้วยมีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าอารมณ์อะไรก็ได้นะอารมณ์ทุกชนิดนะ่ะถ้าเอาจิตน้อมไปอยู่นะมันเป็นสมาธิเหมือนกัน แต่มาจจะเป็นสมาธิชั้นเลวนะสมาธิชนิดชั้นดีสมาธิพักผ่อนอย่างดีเนี่ยต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนะแล้วเป็นอารมณ์ที่มีความสุขเวลาเราไประลึกรู้อารมณ์นั้นแล้วจิตใจมีความสุขจิตใจผ่อนคลายความสุขนี้แหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิชนิดสงบนะต้องรู้หลักนะถ้าไม่รู้หลักโอ้ยภาวนากันปางตายนั่งหายใจกันเพื่อเพื่อเพื่อแต่เมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบไม่รู้หลัก ถ้ารู้หลักนะหายใจเข้ายัางไม่ทันจะสุดหรือหายใจออกไม่ทันจะสุดเลยจีก็รวมแล้วนะถ้าเรารู้หลักเราชำนิชนานาญจริงนะย่อยไปเร่อย ว, ว่าวาสีนะวสีเนี่ยต้องการให้จิตสงบเหรอหายใจหรือกําหนดจิตทีเดียวก็สงบชํานาญในการเข้าสมาธินะชำนาญในการทรงอยู่ในสมาธิจะสั้นจะยาวนะก็ทําได้ชํานาญในการออกจากสมาธิออกมาแล้วไม่ติดอารมณ์ภายในค้างออกมาอยู่ข้างนอกนี่นะ ส่วนใหญ่ที่นั่งแล้วมันเป็นมิจฉาสมาธินั่งแล้วเคลิ่มเลยนะออกมาแล้วก็ยังซึมออกมาอีกใครนั่งสมาธิแล้วออกจากสมาธิแล้วติดซึมซึมออกมาบ้างไหมนั่นแหะนั่งไม่ถูกชนิดด้วยนะแล้วก็ออกไม่เป็นนะสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกจนชำนาญนะถึงจะเรียกว่าชำนาญในการทำสมาธิชนิดพักผ่อนนะ ก็เธอชำนาญในการเข้าชํานาญในการทรงอยู่ชํานาญในการออกแล้ต้องเลื่อนระดับให้ไปชนานาญในการเจริญปัญญาในสมาธิถ้าได้ถึงตัวนี้เราก็สุดยอดเลยดีที่สุดนะถ้าไม่ได้ก็แค่ไปเข้าไปพักผ่อนข้างในแล้วออกมาข้างนอกมาเจริญปัญญาต่อสมาธิชนิดพักผ่อนนะเราต้องมาดูตัวเองเรียนแบบกันไม่ได้เรียนกันไม่ได้ยังบางคนสงสัยทําไมหลวงพ่อไม่จัดคอร์สนะอย่างที่อื่นเขาชอบจัดคอร์สนี่ไหม ไปนั่งพร้อมๆกันไปเดินพร้อมๆกันไปทำอะไรก็ทำพร้อมๆกันจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันะไปบังคับให้ทำสิ่งเดียวกันไม่ได้มีความสุขนะบางคนไปเดินจงกลมไม่สนัดเดินเลยให้ไปเดินอยู่นั่นน่ะเครียดเครียดยังไงจิตก็ไม่สงบเพราะตัวที่ทำให้สงบนะคือความสบายใจอย่างเวลาเราจะนอนหลับนะเราเครียดนอนไม่หลับใช่ไหมถ้าสบายใจแป๊บเดียวก็หลับ สมาธิก็เหมือนกันสมาธิชนิดพักผ่อนนะถ้าเราอยู่กับอารมณ์ที่สบายใจนะแฟบเดียวก็สงบละเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เองนะงั้นเวลาที่เราต้องการพักผ่อนนะเราทํางานเหนื่อยยุ่งกับลูกค้ามากยุ่งกับนายมากนะเหนื่อยเครียดมากเลยเนี่ยยังไม่ต้องทําวิปัสสนาหรอกนะทำไม่ไหวก็มาทําสมาธิชนิดพักผ่อนนะคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุโทโธไปพุโทโธพุโทโธไม่หวังว่าจะสงบนะ ถ้าหวังจะสงบในใจจะเล่าร้อนไม่ไม่มีความสุขจะไม่สงบเลยงั้นทาต้องทำเล่นๆพุทโธเล่นๆหายใจเล่นๆดูท้องฟองยุบเล่นๆทำเล่นๆทำให้มันสบายใจอย่างงานจริงๆกับงานอดิเรกรู้สึกไหมงานอดิเรกทำแล้วสบายใจทำบางคนชอบต้นไม้ปลูกต้นไม้จิตใจสบายใจสบายใจก็สงบ วันไหนเราเครียดจัดๆนะเราชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ไปดูต้นไม้ปลูกต้นไม้รดน้ําต้นไม้นะแต่งกิ่งแต่งก้านจิตใจก็ผ่อนคลายเคยมีคนหนึ่งนะเครียดจัดเป็นด็อกเตอร์เครียดจัดเลยมาบอกหลวงพ่อว่าทํากรรมฐานอะไรก็ไม่สําเร็จหลวงพ่อก็ถามว่าเราชอบทําอะไรบ้างบอกก็ชอบร้องเพลงบอกไปร้องเพลงนะมีกรรมฐานหลวงพ่อประโมดมีนะกระทั่งไปร้องเพลงแต่ไม่ใช่ไปร้องคาราโอเกะนะ อง น, นฟซานมากไปร้องเราคนเดียวนี่แหละพอร้องเพลงใจผ่อนคลายปุ๊บจิตสงบปั๊บเข้ามาเลยนะถ้ามาพักผ่อนโอ้สบายใจรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สบายใ จ, ยยใจนะมีความสุข้วเราไปดูตัวเราเองแต่ละคนนะว่าเราไปทำอะไรแล้วมีความสุขต้องไม่ยั่วกิเลสด้วยนะด่าคนแล้วมีความสุขเงี้ยจิตไม่สงบหรอกเล่นไพ่แล้วมีความสุ ข, นะสขจิตไม่สงบ ดูบนโลกก็มีความสุขใช่หไหมเชียร์บอลข้างโน้นข้างนี้มีความสุขแต่ไม่สงบหรอกนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสอารมณ์ที่สบายๆมีความสุขอันนี้ที่สอนให้เพราะว่าพวกเราทํางานเครียดนะงานของพวกเราต้องคิดมากในวันหนึ่งวันหนึ่งนะเพื่อความอยู่รอดการแข่งขันทางธุรกิจทุกวันนี้สูงมากนะใครดีใครก็ได้ไปนะใครพลาดนิดเดียวธุรกิจหมื่นล้านพันล้านก็ล้มเอาง่ายนะ บริษัทใหญ่ๆล้มไปทั้งเยอะแยะแล้วใช่ไหม AI เองก็เคยงอแงเหมือนกันเป็นคลาลคลาลใช่ไหมก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันงั้นงานของเราแข่งขันสูงเครียดสูงอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาธุรกิจยุคนี้เป็นแบบนี้งั้นเราก็มีเวลาสําหรับการพักผ่อนจิตใจของเราบ้างพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจไปทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ทำนะแล้จิตใจเราได้พักผ่อน นี่สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปเรามาพัฒนาสมาธิอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่แค่พักผ่อนอย่างเดียวสมาธิชนิดหนึ่งก็คือการที่มาฝึกจนจิตเนี่ยมันถอดถอนตัวออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวจิตจะมีสภาวะที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะเบาจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลจิตคล่องแคล่วว่องไวนะจิตซื่อตรงในการรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้ซื่อๆไม่เข้าไปแทรกแซงมัน เนี่ยจิตยัชนิดนี้เราต้องฝึกให้มีขึ้นมาก่อนที่จะไปเจริญปัญญาช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็น10บสปีที่ผ่านมานะพวกหนึ่งไปปฏิบัติธรรมก็นั่งแต่สมาธิเป็นธรรมมิชฉาสมาธิเครื่มๆไปหรือเห็นโน้นเห็นนี่นะนั่งดูพระดูไฟดูเทียนอะไรต่ออะไรสงบนะแต่มันไม่เกิดปัญญาอะไรขึ้นมาอีกพวกหนึ่งปฏิเสธสมาธิเลยนะไม่เอาหรอก จะเจริญปัญญาเลยกำหนดรูปกำหนดนามเลยเดินยกเท้าย่างเท้าดูท้องพองท้องยุบปฏิเสธสมถะไปเลยนะไม่ได้ฝึกจิตให้มีสมาธิชนิดตั้งมั่นซะก่อนไปทาก็เหนื่อยเปล่าๆเครียดเปล่าๆบางคนทําจนสติแตกนะนเครียดจัดนะกำหนดพองยุบไปกำหนดโ น, น้นกำหนดนี้มันเครียดเพราะว่ามันข้ามขั้นตอนพวกหนึ่งก็ติดแต่สมาธิแบบออกนอกสมาธิเคลิบเคลิ้มนะ หรือสมาธิมีความสุขก็จริงแต่สุขแล้วก็ไม่ยอมเดินต่อพวกนี้ก็ติดไปข้างหนึ่งอีกพวกหนึ่งปฏิเสธสมาธิเลยเอาจิตที่ไม่มีคุณภาพไปเจริญปัญญาก็ทําให้ได้ผลอีกแล้วเราก็ต้องมาฝึกจิตให้มีคุณภาพขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหลักต้องการที่จะให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็มีหลักเหมือนกัน อย่างหลักที่จะให้จิตสงบเนะี่ยน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขนะอย่างต่อเนื่องหลักที่จะฝึกให้จิตมีสมาธิชนิดตั้งมั่นก็มีหลักหลักนิดเดียวนะให้มีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพอจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นเราต้องมหัดต้องซ้อมนะถึงเวลาเราก็มหัดพุทโธแต่เดิมเราเคยพุทโธเพื่อให้จิตสงบสบายอยู่กับพุทโธ ได้แต่พักผ่อนเราก็มาพัฒนาสมาธิของเราไม่ใช่พุโทโธให้พักผ่อนอย่างเดียวแต่พุโทโธเรารู้ทันจิตพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดเรารู้พุโทโธพุโทโธจิตไปเพ่งความนิ่งความว่างก็รู้หรือเรามารู้ลมหายใจนะหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะไม่เอาเคลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวแล้วถ้าจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ การที่เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยจิตจะเกิดสมาธิขึ้นโดยอัตโนมัติจะเกิดการไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติเพราะจิตที่เคลื่อนไปนะเคลื่อนไปด้วยอํานาจของกิเลสตัณหามันอยากได้อารมณ์มันวิ่งพล่านออกไปนะหรือมันมีโลภะเกิดขึ้นมันผลักดันมันอยากนั่นแหละนะก็วิ่งออกไปมีความฟุ้งซ่านมีโมหนะจิตมันจะฟุ้งซ่านไปทางตา ฟุ้งซ่านไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตจะหนีไปทางตะวันทั้ง6ตลอดเวลาเราไปนั่งไปนั่งสังเกตจิตเราจะเห็นเลยจิตหนีตลอดเวลานะวิธีฝึกก็คือหัดกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนั่นแหละพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตที่มันหนีไปจิตที่มันไหลไปตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะ ท, นทันทีที่สติเกิดเนี่ยกิเลส จ, จะดับอัตโนมัติ ตัวที่ทําให้จิตเคลื่อนไปก็คือโมหะกับโลภะโมหะคือความฟุ้งซ่านโลภะคือความอยากมันะอยากได้อารมณ์มันฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ ท, ทันทีที่สติเกิดนีกิเลสดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎนะเป็นกฎของธรรมะข้อหนึ่งนะว่าที่ใดมีสติที่นั้นไม่มีกิเลสงั้นไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องไปสู้กับกิเลสแล้วมาพัฒนาสติขึ้นมาสติเกิดเมื่อไหรา่กิเลสก็ดับเมื่อนั้น ให้สติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเมื่อเราต้องหัดดูสภาวะบ่อยๆเราอยากให้สติเกิดตอนที่จิตเคลื่อนเร็วๆนะสติเกิดเร็วๆเวลาจิตเคลื่อนเราก็มาซ้อมพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปคิดแล้วจิตเคลื่อนไปเพ่งความว่างและก็รู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆหรือหายใจไปจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดก็รู้นะจิตไปเพ่งท้องก็รู้ เดินจงกลมอยู่จิตนี้ไปคิดที่รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าวก็รู้เนี่ยคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนนะจิตจะหยุดการเคลื่อนแล้วตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติจิตที่ตั้งมั่นขึ้นเนี่ยอย่าไปทํามันขึ้นมาอย่าไปบังคับให้ตั้งมั่นมันจะแข็งเกินไปจะแข็งแข็งเครียดเครียดนะบางคนพยายามที่จะรู้สึกตัวพยายามให้จิตอยู่กับตัวเองเพื่จิตตื่นจิตรู้เนื้อรู้ตัวบังคับมากเลยจิตเครียด เป็นสมาธิที่ผิดแนละถ้าจิตเครียดจิต ท, ที่เครียดเป็นอกุศลจิตจิต ท, ที่เป็นกุศลจะต้องมีลักษณะต่อไปนี้นะต้องมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวนะมีความเหมาะสมที่จะใช้เจริญปัญญานะมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์ทั้งหลายไม่ประกอบด้วยราคาโทสะโมหะเนะี่ยในลักษณะของจิต ท, ที่เป็นกุศลนะ งั้นเราเราอย่าไปบังคับให้จิตตั้งมัน่นถ้าบังคับแล้วจิตจะเครียดจิตเครียดเป็นจิตอกุศลงา้นปฏิบัติแทบตายแล้วได้จิตเครียดเทียนมานี่คือการฝึกที่จะพาจิตตัวเองไปเกิดใหม่ในนรกนะบางคนปฏิบัติกรรมฐานแล้วเครียดแทบตายเลยเคยเจอไหมเครียดนะสติแตกเลยตกนรกตั้งแต่ยังไม่ทันตายเลยเครียดมากงั้นทําผิดหรอกวิธีทำนะอย่าไปบังคับจิตให้ตั้งมัน่นอย่าบังคับจิตให้ตื่น แค่รู้ทันว่าจิตมันหนีวิคิดแล้วจิตมันฝันไปแล้วคอยรู้ทันหรือจิตมันไหลไปเพ่งความว่างเพ่งโน่นเพ่งนี้เพ่งร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ท้องแล้วเนี่ยรู้ทันถ้ารู้ทันนะจิตจะตั้งขึ้นอัตโนมัติตรงที่จิตตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นเนี่ยจะมีสมาธิที่ดีนะเฉินสมาธิชั้นเลิศเลยสภาวะาพนั้นเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว ภาษาไทยมีอยู่คำหนึ่งนะคือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมคํานี้ฝรั่งไม่มีคํานี้ฝรั่งพอจะแปลจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับเนือ้อเนื้อนี่อะไรปะนะตัวนี่อะไรนะเนี่บอดดี้อะไรก็ว่ากันไปนะมันผิดผิดเซนต์ของคนไทยคนไทยนี่เซนต์ถูกเลยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือจิตที่ไม่ลืมเนือ้อลืมตัวนั่นแหละนะ การจิต ท, ที่มีสมาธิถูกต้องนะก็คือจิต ท, ที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนือ้อลืมตัวเท่านั้นแหละเรามาฝึกจนกระทั่งจิตเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคราวนี้เราถึงก้าวไปสู่การพัฒนาจิตในขั้นสูงคือการเจริญปัญญาเพราะฉะั้นงานที่เราจะทํามันมีสองานอันหนึ่งงานทําสมถะนะสมถะสมถ ะ, ะเนี้ยแตกไปสองสายสายหนึ่งเพื่อพักผ่อนสายหนึ่งเพื่อฝึกให้จิตตั้งมัน่นถ้าจะพักผ่อนก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่อง ถ้าจะให้ตั้งมั่นก็คือทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติต้องซ้อมนะไม่ซ้อมไม่มีหรอกนะต้องซ้อมต้องฝึกทุกวันทุกวันถึงมีแล้วนะก็เสื่อมได้นะต้องละเลยไม่ได้นะทุกวันต้องซ้อมในรูปแบบแบ่งเวลาไว้เลยถ้าตอนช่ําค่ําเรากลับบ้านแล้วมีสภาวะเหมือนนกปีกหกักจะาตายมิตตายแหละแล้วไม่ต้องซ้อมตอนนั้นหรอก นะซ้อมตอนตั้งแต่ตื่นนอนตื่นให้ไหวขึ้นหน่อยสักนะครึ่งชั่วโมงสักยี่สินาทีอะไรอย่างนี้นะตื่นให้ไหวขึ้นนิดนึงแล้วก็มาซ้อมกรรมาฐานของเราเริ่มต้นไหวพระสวดมนต์ก่อนวันไหนฟุ้งซ่านก็ให้จิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขไปจิตก็ได้สงบสดชื่นวันไหนจิตสงบพอสมควรสดชื่นพอสมควรแล้วนะก็ซ้อมรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะซ้อมไปเรื่อยจิตจะตั้งมั่น ครั้ น, นี้พอมาลงสนามลบจริงอยู่ในชีวิตประจําวันน ะ, จะเจริญปัญญามันได้เลยนะจเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตจริงๆนี่แหละนะไม่ใช่หนีโลกนะนะักปฏิบัติไม่หนีโลกหรอกแต่นักปฏิบัติต้องเรียนรู้โลกนะบางคนอยากปฏิบัตินะแล้วก็อยากลาออกจากงานใครจะเลี้ยงหนูบ้างนะหนูจะลาออกจากงานไปพาวนาไม่ใครเขาเลี้ยงหนูหรอกนะหนูต้องเลี้ยงตัวเองทํามาหากินไปปฏิบัติไป การปฏิบัติเนี่ยไม่เบี่ยนบางเวลาทํามาหากินนะถ้าปฏิบัติเป็นเนี่ยมีชีวิตอยู่หายใจอยู่รู้สึกตัวเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนี่ก็ปฏิบัติแล้วนะกิเลสเกิดขึ้นก็เห็นกิเลสมันตั้งอยู่นะกิเลสมากิเลสตั้งอยู่กิเลสไปใจเป็นคนดูกิเลสกระใจเป็นคนละอนอันนี้ก็ปฏิบัติแล้วจเจริญปัญญาแล้วนะงั้นเวลาที่เราจะมาเดินถึงขั้นวิปัสสนาเนี่ย ต้องรู้ก่อนว่าวิปัสสนาทำไปเพื่ออะไรวิปัสสนาไม่ใช่เหมือนสมาธิสมาธิทำไปเพื่อให้จิตสงบกับเพื่อให้จิต <Tie> ตั้งมั่นวิปัสสนาเนี่ยทำไปเพื่อให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกให้จิตเนี่ยเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองเราจะเรียนตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้แหละเพราะอะไรตัวเรานี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์ความทุกข์ตั้งอยู่ที่ไหนล่ะ ถ้าไม่ตั้งอยู่ในกายก็ตั้งอยู่ที่ใจใช่ไหมตั้งอยู่ที่โต๊ะที่เก้าอี้ไหมความทุกข์นะมันก็ไม่เกี่ยวกับเรานะมนไม่ใช่ตั้งอยู่ที่ที่อื่นที่คนอื่นหรอกนั่นเราจะมาเรียนรู้ทุกข์นะเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจตัวเองเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์นะไม่ใช่ปฏิกูลอสุภะนะบางคนไปดูกายเป็นปฏิกูลอสุภะบอกทํำวิปัสสนาไม่ขึ้นวิปัสสนา พระปฏิคุณอสุภพไม่ใช่ของจริงอย่างเราว่าอันนี้สกปรกนะหรืออาหารอย่างที่เราว่าเราหอมนะคนไทยกินทุเรียนว่าหอมหอมนะฝรั่งมันจะอาเจียนนะชีสของมันหรือเนยมันบางอย่างนะเราได้กลิ่นอย่างกระส้วมแต่งนะมันว่าหอมอะ่ะหอมหอมเหม็นๆมสะอาดสกปรกเนี่ยมันคนละมาตรฐานนะมันคนละมาตรฐานแต่อย่างไฟมาตรฐานเดียวกันใช่ไ คนไทยถูกไฟลวกฝรั่งถูกไฟลวกคนจีนถูกไฟลวกมันก็แบบเดียวกันนั่นมันของจริงนะอย่างธาตุไฟเป็นของจริงนะส่วนในเรื่องปฏิกูลเรื่องอสุภะอะไยไม่ใช่ของจริงนะมันปฏิกูลสําหรับคนหนึ่งมันเป็นของดีสําหรับอีกคนหนึ่งก็ได้นะของบางอย่างโสมปรกแมงวันมะหอมจับใจน้ําลายไหลของเราเหลือไหลออกมาหมดเลยได้กลิ่นเข้าไปทีเดียวนะไม่เฉพาะน้ำนะนํำลายน้ํำลายไม่ไหล เพราะงั้นไปดูกลายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภาษณ์เลยไม่ใช่วิปัสสนานะต้องรู้วิปัสสนาเนี่ยดูความเป็นจริงของมันที่แบบไม่มีใครเถียงได้ความเป็นจริงในร่างกายที่คนเถียงไม่ได้นะคืออะไรร่างกายของเราเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์ไหมนั่งนานๆเมื่อยไหมหายใจออกทุกข์ไหมไม่ไ ม, ไม่ใครว่าไม่ทุกข์ลองหายใจออกซิอย่าหายใจเข้านะทุกข์ไหม หายใจเข้าสิอย่าหายใจออกทุกไหมเห็นไหมเนี่ทุกในแวบเดียวเนี่ยในลมหายใจอันเดียวนะซ่อนตัวทุกอยู่เราก็หายใจเข้าหายใจออกมาแต่เด็กเราไม่เคยรู้เลยว่าทำไมเราหายใจอย่างนั้นเราหายใจหนีทุกไปเรื่อยๆร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นนั่งอยู่ก็ทุกก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเดินอยู่ก็ทุกยืนอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกกลางคืนนะพวกเราจะนอนพลิกไปพลิกมานะ สมมติคนที่นอนสักหกชั่วโมง78ดชั่วโมงอะไรเนี่ยคืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยจะพลิกตั้ง3า0สี่สิบครั้งนะทำไมต้องพลิกเพราะว่ามันทุกขนะ์เนร่างกายเนี่ยความจริงก็คือไม่ว่าร่างกายคนไทยคนจีนคนฝรั่งคนยุนนะมันก็แบบเดียวกันมันก็ทุกข์แบบเดียวกันนะั่นแหละนะเนี่ยตัวทุกข์ในกายเป็นของสากลเลยเป็นธรรมชาตเิเป็นตัวร่วมกันถึงเรียกว่าสามัญลักษณะเป็นของร่วมกันนะ ร่างกายนอกจากจะเป็นตัวทุกข์แล้วนะร่างกายยังเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะมีธ า, า, นะาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมนะตั้งอยู่ในสเปซคืออากาศสธาติธาตุดินน้ําไฟลมบรรจุอยู่ในสเปซคืออากาศสธาติของใครใครก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วก็สังเกตดูในกายเรียนรู้ความจริงของกายให้เห็นว่าเป็นธาตุทาไงดนะูเภ e, สัร่างกายเราเ น, นี้ยมีธาตุหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกใช่ไหมนี่ก็ให้ธาตุมันหมุนเวียนกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะดื่มน้ําไปแล้วก็เป็นเหงือ่อเป็นตัสวะเป็นอะไรไปธนะาตุมันหมุนอยู่ร่างกายจริงๆเป็นแค่วัตถุเท่านั้นเองนะยืมพ่อยืมแม่มาคนละครึ่งเซลเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็อาศัยน้ําอาศั ย, อ า, ศยอาหารอาศัยอากาศในของโลกนี้หล่อเลี้ยงเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาถึงวันหนึ่งเขาก็ทวงคืนนะไม่ใช่ของเราที่แท้จริงยืมเข้ามาใช้ ถึงเวลาก็ต้องคืนเขาคืนให้โลกไม่ใช่เราเป็นเจ้าของที่แท้จริงร่างกายนี้เป็นแค่พัตถุนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนื้อถ้าเรามีความรู้สึกอยู่ในกายเรียนรู้ความจริงของเขาไปด้วยเห็นไม่เป็นแค่ก้อนธาตนะุหรือไม่ก็เห็นมันเป็นก้อนทุกนะดูได้สองมุมแท้ชัดเจนส่วนมมมานิจังเนี่ยดูร่างกายเป็นอนิจจังดูยากนะ อย่างเราส่องกระจกใช่ไม้มส่องไปเรื่อยไหมเมื่อไหร่จะเห็นอ น, นิจจังดูยากนะแต่ถ้าไปดูรูปเก่าๆถึงจะรู้ว่าปีกลายกับปีนี้หน้าไม่เหมือนกันหรอกนะปีนี้สาวกว่าปีก่อนสําหรับเด็กนะปีนี้แก่กว่าปีก่อนสําหรับคนแก่นะคนโตขึ้นมามันมันเปลี่ยนช้าร่างกายนะมันเปลี่ยนช้ามันไม่เหมือนจิตถ้าดูจิตดูใจนะเราจะเห็นอ น, นิจจังชัดจิตนี่อ น, นิจจังอย่างรวดเร็วมากเลย มีความสุขก็แป๊บเดียวมีความทุกข์ก็แป๊บเดียวนะดีใจก็แป๊บเดียวเสียใจก็แป๊บเดียวทุกอย่างสั้นๆไม่นานหรอกความรู้สึกทั้งหลายนะสุขทุกข์ดีชั่วหมุนจีอยู่ในใจเราตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยแสดงอนิจจังให้ดูแล้วจิตใจก็แสดงอนัตตานะได้ชัดแต่ชัดคนละมุมกับร่างกาย ร่างกายแสดงอนัตตาในแง่ที่ว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตใจแสดงอนัตตาในแง่มุมของการบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่สุขห้ามทุกมันก็จะทุกสั่งให้ดีมันก็ไม่ดีนะบอกอย่าโ ก, กรธมันก็ยังโกรธเคยแม้ตั้งใจจะไม่โกรธเราก็โกรธยิ่งตั้งใจมากนะยิ่งโกรธเร็วนะ่งยิ่งโกรธ ตั้งใจว่าไปห้างขาวนี้จะไปเดินเล่นเล่นเอาแอร์เย็นเยนไปดูของแปลกๆไม่ซื้ออะไรหรอกเผอแป๊บเดียวกลับมาบ้านนะแบบตตดหลังแอบไปแล้วนะว่าจะไม่ไม่ซื้อมันก็แอบไปซื้อมาทนไม่ได้ทนกิเลสไม่ได้ดัง ใ, ใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะแล้วก็บังคับไม่ได้ดูไปในมุมอย่างนี้ดูอนิจจังอนัตตาด้วยง่ายการที่เราเห็นใจ แสดงใจรักเห็นจิตใจแสดงใจรักนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเป็นคนที่วันวันหนึ่งนะใช้ความคิดมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกที่ใช้ความคิดมากๆานกะคือการดูจิตนะบางคนบอกว่าอะไรเนี่ยพระอาจารย์ปาโมดพระอาจารย์ดูจิตแห่งยุกนะบางคนไม่เรียกพระอาจารย์เรียกปรมาจารย์ดูจิตแห่งยุกนั่นแะล้วแต่ตั้งชื่อนะนะั่นยังไม่เข้าใจที่หลวงพ่อสอนเนาะ หลวงพ่อไม่ได้สอนแต่ดูจิตนะแต่ว่าทุกคนต้องเรียนเรื่องจิตเพื่อให้เกิดสมาธิที่ถูกก่อนใช่ไห ม, ไ ม, มเรียนไปไม่คั้มขั้นเรียนไปศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วถึงเนปัญญาศิกขาไอ้พวกที่กําหนดรูปกําหนดนามไม่เคยเรียนเรื่องจิตนะมันก็ทําให้เป็นไปเพ่งกายไปดูท้องผองยุกก็เพ่งท้องเดินโจงกรมก็เพ่งเท้ารู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจพู้นี้ไม่เคยเรียนเรื่องจิตถ้าเรียนเรื่องจิตจะได้สมาธิที่ถูกต้องนะส่วนในขั้นเจริญปัญญาเนี่ย ดูกายดูใจนะถ้ากายเด่นดูกายถ้าใจเด่นดูใจนะดูอะไรได้ชัดดูอันนั้นไม่มีสายกายสายจิตอะไรไม่มีจริงหรอกเพราะอะไรเราเลือกไม่ได้สติมันจะไปรู้กายเราสั่งไม่ได้สติจะรู้จิตเราก็สั่งไม่ได้อย่างเราจงใจจะดูกายมันแว๊บเดียวมันไปดูจิตแล้วเคยเป็นไหมหรือจะดูจิตแป๊บเดียวมันมาดูกายแล้วสั่งไม่ได้จริงนะไม่มีหรอกสายกายสายจิตนั้นพูดเล่นๆหรอก พูดแบ่งพักแบ่งพวกไปเท่านั้นเองถ้าสติที่แท้จริงเกิดแล้วไม่มีสายจับไหมนะถ้าสมาธิที่แท้จริงเกิดแล้วไม่มีสายหรอกบางทีสติเขาเห็นกายจะเห็นกายแล้วเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์นะบางทีสติก็ไปรู้จิตรู้จิตแล้วเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์เพราะงั้นตัวที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่กายไม่ใช่จิตนะเราจะเห็นไตรลักษณ์นะนี่ขั้นเดินปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์มันแสดงอยู่ในกายไตรลักษณ์มันแสดงอยู่ในจิต ไม่ใช่ดูอยู่ที่กายไม่ใช่ดูอยู่ที่จิตดูทะลุเข้าไปเห็นไตรลักษณ์ที่แสดงตัวในกายในจิตต่างหากแสดงในกายก็แสดงตัวทุกข์ได้ง่ายแสดงความเป็นก้อนธาตุได้ง่ายแสดงในจิตก็แสดงความไม่เที่ยงได้ง่ายเปลี่ยนเร็วว่าจะไม่โกรธก็โกรธนะเราบังคับไม่ได้ด้วยนะว่าจะไม่โลภมันก็โลภสั่งให้สุขมันก็ไม่ค่อยจะสุขห้ามทุกข์มันก็ทุกข์เนี่ยไปดูของจริงการเจริญปัญญาไม่ใช่การคิดเอานะ ไม่ใช่การคิดเอาแต่เป็นการเข้าไปดูของจริงเข้าไปเห็นของจริงที่แสดงอยู่ในกายในใจของจริงคือไตรลักษณ์นี่แหละถึงจะเรียกว่าการเจริญปัญญาที่แท้จริงแต่เราจ ะ, จะเจริญปัญญาที่แท้จริงคือมาเห็นไตรลักษณ์ที่แสดงอยู่ในกายในใจได้ขั้นแรกสุดต้องไม่ลืมกายลืมใจใช่ไหมต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนถ้าจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีกายลืมกายแล้วจะไปเห็นไตรลักษณ์ที่กายได้ยังไง มีจิตใจก็ลืมจิตใจแล้วจะไปเห็นไตรลักษณ์ที่จิตใจได้ยังไงแม้<อ>ธรรมะของพระเจ้ า, า, าจมีเหตุมีผลนะว่าทําไมต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนี้เพื่ออะไรนะอย่างเรารู้สึกตัวขึ้นมามีจิตที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวขึ้นมาเพื่ออะไรเพื <coc> ่อว่ามีร่างกายอยู่จะได้รู้สึกถึงว่ามีร่างกายมีจิตใจก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจรู้สึกเพื่ออะไรเพื่อได้เห็นความจริงที่แสดงอยู่ในกายคือไตรลักษณ์เพื่อให้เห็นความจริงที่แสดงในจิตใจคือไตรลักษณ์ ถ้าเราเห็นใจรักก็เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนนะมันเป็นสูตรเลยเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเวลาที่จิตมันหลุดพ้นจริงๆนะมันจะมีความรู้สึกเลยว่าความเกิดไม่มีอีกแล้วงานที่ต้องทําเพื่อวความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็ไม่มีอีกแล้วนะไม่มีกิจที่ต้องทําต่อ ถ้าสันวลบาลีท่านยังบอกว่าชาติสิ้นแล้วนะคือความเกิดน่ะสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วพรหมจรรย์ก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยไม่มีอีกนะขาดแล้วขาดเลยถ้าไม่ใช่ว่าวันนี้ดีพรุ่งนี้ร้ายก็มาทําใหม่แล้วก็ดีใหม่เดี๋ยวก็ร้ายใหม่อันนั้นยังไม่ใช่นะต้องขาดแล้วขาดจริ ง, รงๆขาดด้วยปัญญาอันยิ่ง ปัญญาทำหน้าที่ตัดนะตัดภพตัดชาติไปขาดสะ บ, บั้นลงไปวัตตะถล่มลงต่อหน้าต่อตานี้แหละทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้นะหลักสูตรที่ฟูจิเจ้าสอนถ้าเราเดินตามได้อย่างเข้มงวดนะเดินตามได้อย่างจริงจังนะมันต้องมีผลนะแลมีผลรวดเร็วด้วยมีผลรวดเร็วมากเลยแต่จุดสำคัญนะรักษาศีลห้ก่อนอย่าลืมนะ รักษาศีลห้าเพื่ออะไรให้กายวาจาเรียบร้อยจิตจะได้สงบง่ายจะได้มาทําให้จิตใจสงบเรียบร้อยง่ายจิตใจสงบเรียบร้อยแล้วไม่สงบอยู่เฉยๆมาพัฒนาจิตให้รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาให้จิตตั้งมั่นให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆบางคนบอกให้รู้สึกตัวแล้วก็รู้สึกไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งก็รู้แจ้งไม่รู้หรอกมันจะไปรู้แจ้งได้ไงมันไม่ได้เดินตัญญา จิต ท, ที่รู้สึกตัวแค่เป็นจุดตั้งต้นของการเดินปัญญาเท่านั้นเองหลวงพ่อเทียนเคยสอนนะว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติคนนึกว่า ไ, ได้โสดาเปรายังไม่ได้นะยังไม่ได้ทําวิปั ส, สนาเลยแค่ว่าพร้อมที่จะทําวิปั ส, สนาเท่านั้นเองรู้ว่าจิตคิดก็คือรู้จิต ท, ที่เคลื่อนไปนะั้นเคลื่อนไปคิดพอรู้ทันปุ๊บจิตก็ตั้งมั่นมีกายรู้สึกกายมีใจรู้สึกใจคราวนี้ถึงจะเดินปัญญาได้ทีนี้ทำวิปัสนาได้หลวงปู่ ด, ดูลก็สอน คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดแต่ก็ต้องอาศัยคิดปล่อยให้จิตมันคิดไปแล้วรู้ว่ามันคิดจิตก็จะหยุดคิดตื่นขึ้นมานะไม่บังคับว่าห้ามคิดนะบางคนพยายามฝึกจิตไม่ให้คิดได้ยินหลวงปู่ดูลสอนว่าคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ก็จะเอะอก็จะหยุดคิดท่านมีประโยคที่3นะต้องอาศัยคิดและจิตนั้นมันมีหน้าที่คิดอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องคิด แต่พอมันคิดไปแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้คิดไปแล้วเกิดดีให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้ถ้าไม่คิดนะมันไม่โกรธนะไม่โลภไม่หลงหรอกถ้าไม่คิดโกรธโลภหลงอะไรมันตามหลังความคิดมาทาั้งนั้น่ะเวลาเราขับรถแล้วคนปาดหน้าเราโกรธตอนไหนดูออกไหมโกรธตอนปาดหน้าไหมยังมีดีเลยทามนิดต้องคิดก่อนนะเฮ้ยมันมาปาดเรานะแน่สักแค่ไหนบัลลังรดุมันตายหรือไง เนีคิดคิดต่อไปเดี๋ยวหกหลุดแล้วนะต้องคิดซะก่อนถ้าไม่คิดนะเขาปาดหน้าไปไม่ได้คิดไม่สนใจนะกำลังใจลอยพอดีเขาปาดหน้าไม่รู้ด้วยซ้าไปเห็นไะหนะมเพราะฉะนั้นกิเลสมันก็ตามหลังความคิดมาเราต้องการให้เห็นว่ากิเลน เ, เขาตกอยู่ใต้ไตรลักอย่าไปบังคับว่าอย่าคิดให้มันคิดไปนะหลวงปู่ดูลยก็สอนให้ให้า ม, มคิดไปแต่ว่าคิดแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดช่วยให้รู้ เวลารู้เนี่ยท่านสอนหลักของการรู้จิตรู้ใจไว้นะถ้าเราจะรู้นามาทำพวกเราต้องรู้นามาทำให้มากมากหน่อยนะเพราะว่าพวกเราคิดมากพวกคิดมากเนี่ยให้ดูจิตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามต้องดูกายนะเป็นหลักของการปฏิบัติเลยแต่ว่าที่ว่าดูกายดูกายไม่ใช่ว่าห้ามดูจิตนะมันดูทั้งกายดูทั้งจิตแหละแต่ถ้าไม่มีอะไรดูให้มาดูกายส่วนที่พวกคิดมากต้องดูจิตนะไม่ใช่ว่าดูแต่จิต ร่างกายเคลื่อนไหวก็ต้องรู้สึกแต่ว่าพอมไม่มีอะไรจะเคลื่อนไหวแล้วนะจิตใจขยับเขยื่อนจิตใจอะไรคอยรู้อยู่ที่จิตเป็นหลักไว้ไม่ใช่ว่าห้ามไปรู้อันอื่นแต่ว่ารู้ตัวไหนเป็นตัวตั้งตัวหลักไว้นะมีตัวหนึ่งเป็นตัวตั้งถ้าพวกคิดมากอย่างเราก็ดูจิตเป็นตัวตั้งไปแต่ถ้าอายุเยอะขึ้นมีเงื่อนไขอีกแล้วถ้าอายุเยอะขึ้นนะจากการที่ศึกษามาทดลองมาอายุเยอะขึ้นเอากายมาช่วยโดยจิตอย่างเดียวไม่ไหวอะ หรือเวลาที่เราเหนื่อยมากๆนะเหนื่อยมากๆดูจิตไม่ไหวนะก็ดูกายไปก่อนเพาจิตใจบางชว่วงจิตใจว้าวุ่นมากดูจิตไม่รู้เรื่องและก็ดูกายไปก่อนนะอย่างนี้ได้แต่ามีเรื่องมีแรงว่ากลับมาดูจิตต่อหลักของการดูจิตในหลวงปู่ดูลสอนไว้บอกจงทำยานเห็นจิตยานนะยานทัศนะจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปบางคนแล้วพูดมักง่ายหลวงปู่ดูลสอนให้ทำจิตหนึ่ง ชิ้หนึ่งมันจิตพระอรหันต์นะเป็นปลายทางของการปฏิบัติเป็นผลของการปฏิบัติแต่ต้นทางของการปฏิบัติที่ท่านสอนเราต้องทําต้นทางทํายานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปยานแปลว่าอะไรยานว่าปัญญาปัญญาเห็นอะไรเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะมียานเห็นจิตก็คือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ที่แสดงตัวอยู่ในจิตจะเห็นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไฟบังคับไม่ได้ แล้วการที่เราจะไปเห็นจิตเห็นใจเราเนี่ยให้เห็นแบบเดียวกับที่ตามองเห็นรูปตาเรามองเห็นรูปเวลาที่ตาเห็นรูปเนี่ยตาไปบังคับรูปไหมตาสั่งไหมว่าสมมติจะมองคุณจูคุณจูจงยกมือข้างขวาขึ้นให้ตาสั่งตาสัตาไม่เคยไปแทรกแซงเลยเห็นไหมมีรูปอะไรมาให้ตาเห็นตาก็เห็นไปอย่างที่มันมีรูปอย่างนั้นแหละใช่ไหมเพราะฉนั้นตาไม่เคยแทรกแซงรูปนะ ท่านบอกตรงทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปก็คืออย่าไปแทรกแซงจิตอย่าไปแทรกแซงจิตจิตเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตโลภก็โลภสิจิตโลภก็ดูแฝเห็นว่าจิตมันโลภขึ้นมาค่อยๆสังเกตแฝโอ้ความโลภไม่ใช่จิตหรอกความโลภเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาจิตเป็นคนรู้ว่าโลภนะจะเห็นในต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างทํางานสักพักเดียวความโลภก็ดับไปแล้วะจิตที่เป็นจิตโลภก็ดับไปเกิดเป็นจิตที่รู้ขึ้นมาแทนนะ เดี๋ยวเวลาจิตโกรธก็เหมือนกันก็รู้ว่ามันโกรธเหมือนตาเห็นรูปไม่ได้ห้ามว่าห้ามโกรธนะดังั้นบางคนดูจิตไม่เป็นจะไปแทรกแซงจิตถ้าแทรกแซงจิตเนี่ยจะไม่ตรงกับที่หลวงปู่ดุลสอนนะต้องไม่แทรกแซงแต่ให้รู้อย่างที่จิตมันเป็นท่านถึงบอกให้เหมือนตาเห็นรูปตาไม่เคยแทรกแซงรูปนะรูปจะสวยหรือรูปจะไม่สวยตาก็เห็นเหมือนๆกันใช่ัหมรูปจะดีหรือรูปไม่ดีตาก็เห็นเหมือนกันรูปนั้นจะเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจตาก็เห็นเหมือนกัน นะตาไม่เคยมาเลือกเลยนะว่าจงเห็นแต่รูปที่สวยสั่งได้ไหมบางคนก็กลัวนะไม่อยากเห็นของไม่สวยไม่งามพยายามหนีเห็นรถชนกันนะหวาดเสียวไม่อยากดูหันมาอีกฝั่งหนึ่งอ้าวเข้าศพมาไว้ฝั่งนี้แล้วเมื <c> ่อ <oughs> ตามันจะเห็นนะะใครจะไปห้ามมันได้อะไม่ใช่ตาบอดนี่เพราะฉะนั้นจิตเวลาจะไปรั่วลงก็อย่าไปห้ามมันนะอย่าไปแทรกแสงโกรธก็รั่าโกรธ มันจะตรงกับที่พระเจ้าสอนดุขรภิกขุทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาเห็นไหมมียังไงก็รู้อย่างนั้นนะดุขรภิกขุทั้งหลายจิตไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคาเห็นไหมรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละไม่ได้แทรกแซงท่านไม่เคยสอนเลยนะดุขรภิกขุทั้งหลายอย่าให้ราคาเกิดขึ้นนะถ้าราคาเกิดขึ้นให้รีบละเสียนในสติปัฏฐานมีไหมประโยช์อย่างนี้ไม่มีเลยนะ มีแต่ดูขรภีสูตทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาดูขรภีสูตทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะง่ายๆอย่างนี้รู้อย่างที่เป็นเหมือนตาเห็นรูปนั่นแหละไม่แทรกแสงรู้ไปเรื่อยๆพอเราไม่แทรกแสงนะฝึกไปเรื่อยต่อไปจิตก็เริ่มยอมรับความจริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้นะ มันก็จะเกิดกระบวนการที่พัฒนาทางจิตใจต่อไปเกิดเบื่อหน่ายครความยึดถือก็หลุดพ้นเราก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเป็นความหมดจดของจิตเป็นความสะอาดของจิตเราถึงจุดนั้นเราจะรู้สึกเลยพระพุทธเจ้าและจิตของเรากับพระธรรมนี่เป็นอันเดียวกันจิตของเรากับพระพุทธเจ้าก็เป็นอันเดียวกัน จิตของเรากับพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันด้วยอะไรด้วยความบริสุทธิ์ที่เป็นเนื้อเดียวกันลงกันด้วยเป็นธาตุอันเดียวกันคือธาตุที่บริสุทธิ์นั่นเองเป็นธรรมธาตุอันเดียวกันทั้งหมดเลยเนื่องกันหมดตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกลงมาจนถึงสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเนี่ยเข้าถึงธาตุอันบริสุทธิ์อันเดียวกันทั้งหมดเลยนะ ต้องฝึกนะถ้าเราจะได้รับผลต้องทําถึงจะได้ผลของการกระทําชาวพุทธบางคนมักง่ายไม่ต้องทําอะไรจิตดีอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนะไม่ทําได้ไงจิตมันเร็วอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ดีอยู่แล้วจิตเราเราไปหัดภาวนาสีจะรู้สี่หาคนเร็วเท่าเราหายากนะเไม่ใช่ว่าจิตมันดีอยู่แล้วที่ไหนล่ะจิตมันแย่อยู่แล้วสหางงั้นเราถึงต้องมีศีต้องมีสมาธิมีปัญญานะอบรมข่มคราวมันจนมันสะอาดหมดจดขึ้นมา อันนั้นละมันดีแล้วข้อนั้นสะอาดหมดจดหมดแล้วอย่างที่หลวงปู่ดูลีว่าจิตหนึ่งเนี่ยนะคราวนี้ศีลสมาธิปัญญาไม่จําเป็นแนะ้วเพราะอะไรหมดหน้าที่ของศีลสมาธิปัญญาไปแล้วนะไม่จําเป็นตรงนี้ทหารเหรอที่ไม่จําเป็นอย่างพวกเราเนี่ยศีลสมาธิปัญญายังจําเป็นนะต้องทำนะไม่ทําไม่ได้นะศา ส, สนาพูดว่เป็นกรรมวาทีศา ส, สนาของการกระทําผู้ใดทํากรรมใดไว้ก็ได้ผลอย่างนั้น นะจเจริญจิตไปสู่ความสงบก็ได้ความสงบจเจริญจิตไปสู่ความฟุ้งซ่านก็ได้ความฟุ้งซ่านเจริญจิตไปสู่ปัญญาก็ได้ปัญญาจเจริญจิตไปสู่ความง่งงงายความหลงไหลมันก็งงงงงายหลงไหลไปเราก็ต้องทำเอาเองเท่านั้นเราเป็นอย่างที่เราทำนะกระทังะ่งจะบรรลุพระอรหันตอรหันต์อะไรกนะ็รต้องทำเอาทั้งสิ้นนะมีสติมีปัญญายังมีกาลังอยู่ขวนขวายทาเอารักษาศีล ฝึกใจิตใจให้อยู่กันเนื้อกันตัวจเจริญปัญญาดูความจริงของกายของใจให้มากที่สุดที่จะทําได้ให้ดูความจริงนะอย่าไปบังคับมันทําได้อย่างนี้นะมรรคผลนิพพานไม่ไปไหนหรอกนะแต่ไม่ถึงขั้นหมูในอวยหรอกนะคือต้องพักฝืนเนาเพราะอะไรเราสะสมกิเลสมานานแสนานานมาปฏิบัติวัน2วั น, เ, นเดือน2เดือนปี2ปีหวังไม่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นยากนะ ยกเว้นท่านที่อินทรียรแก่กล้าจริงๆนะบางองนะท่านสองพันษาสามพันษาท่านจบแนละ้วก็มีนะบางองค์บวชฟันนั้นจบวันนั้นก็มีบางองค์กําลังปรงผมนะพระกนผมเสร็จแล้วบรรลุพระอรหันต์เลยก็มีนะมันได้แน่บางองค์บวชจนตายเลยก็ยังไม่บรรลุอะไรเลยตกนรกอเวจีก็มีนี่ไงเป็นอย่างเทวทัตมันอยู่ที่การกระทําของเราเองนะไม่มีคําให้โชคชะตานะ ชาพุทธอย่าเชื่อโชคชะตาเลิกยามไม่มีอยู่ที่ความพร้อมความพร้อมนั่นแหละเลิกยามของเรากําลังเลิกดีแล้วควรจะเจราจาธุรกิจได้รอเลิกเท่านี้นาทีเท่านี้นาทีนะคู่เจราจาโมโหนีกลับไปแล้งงานงโง่แล้วน้าขึ้นให้รีบตักน้ําลดแล้วทําไมต่อผุดทําไมเป็นงันก็รู้ก็คนละเรื่องอ่ะสิ พวกเราถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะเราจะไม่ครอนแคลนในพระพุทธศาสนาเราปฏิบัติแล้วเราจะเห็นผลด้วยตัวเราเองความทุกข์ของเราลดลงลดลงเราเคยทำผิดศีลหน้าตาเฉยตอนนี้เราทำผิดศีลแล้วไม่เต็มใจจะทำแล้วเราไม่เคยจิตใจอยู่กับตัวเองจิตใจเราก็เริ่มอยู่กับตัวเองเราไม่เคยแยกธาตุแยกขันไม่เคยเห็นกายเห็นใจทางานเราก็เริ่มเห็น เนี่ยวินอูน่นรู้ได้ตัวเองนะพัฒนาขึ้นมาจนถึงวันหนึ่งอริยามรรคอริยผลเกิดขึ้นเราล้างกิเลสได้กี่ส่วนแล้วเราก็รู้ได้ตัวเองนะถ้าคนที่เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะไม่คลอนแคลนหรอกนะไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นทุกวันนี้เราผิดปนกันนะบางคนบอกว่าแหมมีเรื่องอย่างนี้เสื่อมศรัทธาต่อพระศาสนาแล้วต่อไปนี้ไม่ปฏิบัติแล้วไอ้พวกที่พูดอย่างนี้คือพวกไม่ใช่ชาวพูดอยู่แล้วละ่ะ นะชาวพุทธจะรู้ว่าอะไรคือศาสนาของเราที่แท้จริงคําสอนของพระเจ้าพระธรรมต่างหากนะพระธรรมไม่เคยเสื่อมเลยพระธรรมไม่เคยสุสูญหายไปไหนเลยนะปัญหาอยู่ที่คนต่างหากก็ต้องรู้จักแยกแยะนะพวกเราบางทีเห็นเหลืองเหลืองเราก็ไหวนะ้นึกว่าดีที่ก็ไหว้ที่หลวงพ่อที่วัดก็มนะีหมาชื่อเหลืองแต่ตอนนี้ตายไปแล้วนะแก่ตาย อยู่นานแก่ตายภานานะจิตใจดีเชะละคนมีหูมีตายขาบอกแล้วทำให้ได้อย่างมันนะต้องแยกแยะให้เป็นนะแยแยอย่าเชื่ออะไรง่ายๆงมงายนะพาวนาพอเรานาพอเราเข้าใจแล้วเราถึงจะมองออกว่าอะไรจริงอะไรปลอม ไม่งั้นเราก็ซัพเฟอร์ไปเรื่อย ๆ, ๆเราก็รู้จักแยกแยะบ้างนะใครเขาเฮเฮเฮตามเขาไปเรื่อยโง่เลยโง่แล้วก็ยังมาโทษว่าศาสนาไม่ดีโง่เองอะไรนะ <c oughs> งั้นฝึกนะฝึกันมีสติมีปัญญารักษาตัวไม่ตกเป็นเหยื่อนะวันนี้เทศเท่านี้ก็พอสมควรใครสรุปได้บ้างว่าหลวงพ่อเทศเรื่องอะไร ใครกล้าตอบมีไหมกล้าร้อยต้ยกมือสักคนซิมีไหมไม่กล้าเลยไม่รู้เหรอว่าธรรมะทาให้องอาจอาธรรมนะทําให้พ่อแฟม ไ, มไม่องอาจนะธรรมะทาให้องอาจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆธรรมะเนี่ยทาให้องอาจเข้มแข็งอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นโยมอย่างพวกเราเนี้ย เราหาครูบาอาจารนยะ์ไม่สะทกสะทานะไม่กลัวเลยนะเข้าไปเอาธรรมะไปบอกท่านเลยเราภาวนอย่างเนี้ถูกผิดอะไรก็ว่ามันเลยนะอย่างอาจารย์มหาบัวบางคนหกลัวนะเวลาจะไปหาท่านหลวงพ่อเมื่อก่อนกลัวเหมือนกันนะแต่พอเข้าใกล้แล้วไม่กลัวแล้วลืมกลัวเลยจะเอาธรรมะแล้วถ้าคิดว่าถ้าท่านด่าเรานะก็เป็นบุญของเราแล้วล่ะเราจะได้หายโง่ที่ไม่กลัวเลยนะเงินธรรมะเนี่ยทาให้องอาจจริงๆเลย ไม่กลัวไขรหรอกอ่ะไทยสรุปก็คือไม่ค่อยวงอาจ น, นะนะอ่ะส่งกันบ้างกับน้ำมัสการหลวงพอ่อค่ะก็เคยได้ฟังหลวงพ่อผ่านทีวีนะคะเมื่อหลายปีก่อนอรู้สึกประมาณสามสี่ปีแล้วค่ะฟังแค่ครั้งแรกก็รู้สึกจิตมันตื่นนะคะแล้วก็ เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆค่ะแต่ด้วยจะโทษอะไรดีด้วยอะไรด้วยมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่ด้วยความขี้เกียจตัวเองก็เลยไม่โทษอย่างนี้ถูกไม่ปฏิบัติอยู่ในรูปแบบค่ะก็เลยทำให้เหมือนกับโดนมารชิงช่องไปค่ะแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับกลับมาปฏิบัติใหม่ทำหนะาต้องทำไม่มีของฟรีหรอกกอย่างต้องลงทุนลงแรงเนาะ อ, นนอย า, ากได้ของดีก็ต้องทนต้องอดทนมากๆเลยทําไมต้องทนมากมเพราะว่ามันคล้ายๆเราทํางานซึ่งมันไม่เห็นผลเสีทีแล้วก็เราไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่จะได้ผลนะต้องอดทนมากเลยอย่างถ้าเราทําโปรเจกต์อะไรสักอย่านึ่งมันรู้ขอบเขตใช่ไเวลาไหนอะไรเงี้ยมันรู้งานกรรมฐานนะไม่มีขอบมีเขตต้องทนเอานะเข้มแข็งไว้ล้มได้ แต่ต้องลุกขึ้นมาใหม่ขี้เกียจได้แต่ไม่เลิกปฏิบัตินะเบื่อได้ท้อได้ก็ไม่เลิกปฏิบัตินะเบื่อก็รู้ว่าเบื่อท้อก็รู้ว่าท้อดูมันก็ไปไม่เลิกหรอกถ้าไม่เลิกสักอย่างนะสู้ตายแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้ผลถ้าหวังว่าจะได้ผลจะไม่ได้ผลนะเพราะมันโลกแฝงโลกอยู่เรียนรู้ไปเรื่อยนะถือว่าเราได้ปฏิบัติเนี้ยดีที่สุดแล้วที่ได้ปฏิบัติ ได้บูชาพระพุทธเจ้าผูา้ใชเจ้าสอนให้เราปฏิบัติท่านทาที่ควรจเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะละวิปัสสนาเราทำในสิ่งที่ท่านเห็นว่าควรดีแล้วที่เราได้ทำวางใจไว้อย่างนี้เลยส่วนผลที่จะได้มากกว่านั้นนะเป็นเรื่องของที่มันจะเป็นไปเองเหมือนเราปลูกต้นไม้เราก็ปลูกไปรดน้ำพรวนดินดูแลใส่ปุ๋ยใส่ยาอะไรไปถึงเวลาต้นไม้เราออกดอกออกผลจนะไปเร่งมันก็ไม่ได้หรอก ต้องทนหากินทางโลก อ, อย่างต้องอดทนเรียนหนังสือก็ต้องอดทนเห็นไหมเียกัต้องเป็น10บสปีทนเรียนกรรมฐานก็ต้องอดทนฉาบช่วยไม่ได้นะสู้เอาไปไมทาํารอกตัวที่ต้องทํานะตัวอันหนึ่งก็คือใจเราฟุ้งซ่านเก่งถ้าใจเราฟุ้งเก่งนะทุกวันทําในรูปแบบไม่พาส่วดมนตคิดถึงคุณพระเจ้าอะไรไป คิดถึงความตายคิดถึงอะไรอย่างงี้ยนะะขี้โมโหก็จเจริญเมตตานะทําไปเรื่อยใจก็สงบเข้ามาก็มาฝึกจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ฝึกทุกวันนะเวลาที่เหลืออยู่ในสนามรบจริงอยู่ในสนามรบจริงคือการปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะปฏิบัติยังไงเมื่อตาหูจมูกเล่นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้เอานะ ไม่ใช่ให้ไม่กระทบให้กระทบไปกระทบแล้วเกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดดีเกิดชั่วก็รู้นะฝึกให้มากๆถึงเวลาก็ทำในรูปแบบพื้นฐานรักษาสี่ห้าเท่านั้นนะมากผลจะไปไหนเสียไม่เกินวิสัยไม่เกินธรรมชาติที่เราจะทำได้ไม่ทำเอานะแล้วกลับมารอบนี้พอจะจับหนละักได้บ้างอะไรั้างขาก็เริ่มแยกหรือยังพอเห็นไมรอบใหม่ยังค่ะ ไปทำเอาะนะมันเคยแยกไม่ยากหรอกค่ะโอเคนามาสการครับหลวงพอ่อก็อา่าตอนนี้มาประเมินตัวเองเทียบกับครั้งแรกที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็ือแปลกใจว่าจริงๆครั้งแรกที่ส่งกันบ้านหลวงพอ่อรู้สึกเหมือนจะมันจะดีกว่านี้เยอะ อ, อย่างนี้ก็ใช้ได้เราประเมินแล้วว่าแย่ลง S <S> <c oughs> <c oughs> คือคือตอนนี้อย่างจริงๆเมื่อวานก็เพิ่งกลับมาจากไปภาวนาที่วัด ก, ก็รู้สึกว่าใจมันก็มีแรงขึ้นกว่าปกตินะครับอย่างเมื่อกี้ตอนนั่งฟังหลวงพ่อไปก็พยายามขยับนิ้วอะไรแบบนี้ไปก็รู้สึกมีสติรู้ขึ้นมานะก็คือรู้รู้สึกว่าสติโอเคขึ้นตั้งมั่นไหมก็คิดว่า มันกว่าปกติที่ ท, ที่ที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับอาจจะเพิ่งมาจากวัดเนี่ยอืแต่รู้สึกอันหนึ่งก็คือมันยังไม่ค่อยเวลาเวลาไปทําที่วัดเนี่ยจิตมันซึมไหมอาจจะมีความสุขแล้วมันเคลิ้มครับนะถ้าอย่างนั้นนะตอนนั้นพลาดนะคราทำไปทําด้วยความรู้เนื ร, รู้ตัวงั้นมันจะมัวมัวอย่างเนี้ยจะมัวซึมซึ ม, ซมนะ ได้งั้นแสดงว่าเราไปทําสมาธิผิดชนิดมาแต่ว่าอีกประเด็นนึงก็คือหลวงพ่อมาเทศมันเย็นแล้วชักเหนื่อยแล้วล่ะมันชักจะหมดแรงอะนะหมดแรงบางคนก็จะมัวมัวซึมๆมถ้ามันมัวมัวซึมซึมเพราะว่าเหนื่อยเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามันมัวมัวซึมๆเพราะไปทําสมาธิผิดเราก็ต้องปรับนะ แสดงที่ไม่เห็นไตรลกก็เพราะว่ามันมัวมัวซึมซึมนี่ใช่ไหมครับใช่ถ้าอยู่วัดหลายวันแล้วก็เป็นอย่างนี้แสดงว่าทำผิดฮนะหลวฟพ่อถึงหลังๆนะใครมาถามว่าจะไปพรน า, าที่ไหนดีอที่บ้านปลอดภัยที่สุดเลยไปตามวัดตามวานแล้วยิ่งผู้หญิงอันตรายนะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็อันตรายด้วยนะไม่ใช่อันตรายแต่ผู้หญิงหรอกที่สงสนหนึ่งครับหพ่อเรื่อง ว่าเวลาจิตมันเดินปัญญาเนี่ยคือคือยังไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบไหนมันเดินปัญญาคือถ้าสมาธิแบบตั้งมั่นไม่ไม่เกิดนะมันไม่เดินปัญญามันได้แต่คิดเอาอันนั้นคือความฟุง้งซ่านของจิตนะถ้าเดินปัญญาเนี่ยขันมันแยกการเดินปัญญาเนี่ยตั้งต้นตั้งแต่การแยกธาแยกขันนี่คือจุดที่1ของการเดินปัญญาการเดินปัญญาเนี่ยเาเรียกว่ามีโสรถยานนะมี16ขั้น ขั้นที่1นึเนี่ยเรียกนามรูปปริเฉทะยานแยกรูปนามที่หลวงตามหาบัวบอกว่าถ้าถ้าอยากทานอ ย, ยากขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเราว่าเดินปัญญานะนะท่านพูดตรงเป๊ะเลยเราะฉะนั้นะถ้าเรายังเห็นกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตไม่ได้นะยังปนกันอยู่ไม่เดินปัญญาจริงหรอกนะหรือเราเห็นว่ากิเลสกับจิตเป็นอันเดียวกันเนี้ยไม่เดินปัญญาจริงเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วนะ สุขความสุขความทุกข์อะไรก็จิตเป็นอันเดียวกันยังไม่ได้เดินปัญญาถ้าเห็นว่าแต่ละอันแต่ละอันก็เป็นสภาวะโดดโดดของตัวเองนั่นถึงจะเริ่มเห็นไตรลักษณ์ในแต่ละตัวได้ขอถามเพิ่นิดหนึ่งครับคือไอ้จิตผมที่มันเคลิมเคลิ้มนี่อาจจะว่ามันไปติดอยู่กับใช่พบหนึ่งแล้วมันมีความสุขเคริ้มเคริ้อะไรไหมน ะ, น ะ, น ะ, นะตัวนี้แหละที่อันตรายไม่ดี เสียเวลาแล้วรู้สึกอีกอันหนึ่งก็คือมันมันไปอยู่อย่างนั้นค้างค้างแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมาไม่มีสบายสบา ย, ยสบายนะนะติดอยู่ในภพเฉยเฉยสบายสบายกี่ปีกี่ปีก็อยู่นะหลวงพ่อเคยไปเจอลูกศิษย์คนหนึ่งนะไปพอนาอยู่ที่สํานักแห่งหนึ่งเราไปเจอโดยไม่ได้เจตนาไปเห็นปุ๊บกําลังเดินจงกรมเราสงสารมากเลยเขาบอกคุณ สภาวะของคุณตอนนี้กับเมื่อปีกลายก็เหมือนกันนะแล้วสภาวะของคุณตอนนี้กับปีหน้าปีต่อๆไปก็จะเป็นอย่างนี้อีกกันแล้เพราะว่าทําอยู่แค่นี้แหละทําจิตว่างๆแล้วจะถอนมันจากภาวะอย่างไงรกันกลับมาดูร่างกายบ่อยๆอย่าเอาสภาวะสบายตัวนั้นดูไกลเลยได้ไหมเห็นไหมร่างกายเปยักหน้าใจเป็นคนดูค่อยๆดูมันจะกลับเข้ามาหาจิตใจตัวเอง มันจะเข้าฐานไม่เข้าฐานไม่เดินไปอย่าเห็นไหมว่าขนาดนี้กะตะกี้จีนไม่เหมือนกันเห็นไหมสว่างขึ้นมาแล้วดูออกไหมเอองั้นหลงเข้าไปหรือยังพูดถึงเวลาขยับอย่างผมบางทีผมเคาะโต๊ะเนี่ยครับเคาะนานๆมันมันก็ชินมันก็เออเคลมไปไม่ได้ได้มันก็เคลิ้มอีกอ๋อนีก็เคลิ้มได้อีกทําอะไรซ้ําๆบางทีก็เคลิมงั้นที่ดีนะคือทําทงานที่ใช้ร่างกายเนะี่ย กวาดบ้านถูบ้านแลนะอย่างกวาดบ้านมันไม่ซ้ำใช่ไหมเดี๋ยวกวาดข้างซ้ายข้างขวาอะไรเนี้ยพลิกไปพลิกมาเนี้ยถ้าทําอะไ ร, นะ ร, ไ ร, ะไรซ้ำซากเคาะไปเรื่อยหรือขยับไปเรื่อยเนี้ยหลวงพ่อเคเห็นนะขยั บ, ข ย, บขยับทำจังวันทําแม่สวยมากเลยนะจิตไม่ถูกหรอกถูกแต่มือขอบคุณครับอย่าให้จิตติดนิ่งติดเฉยนะดูกายไว้ก็ยังดีจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้ น, นมาหลุดออกมาการนมัสการหลวงพ่อนะครับ เอ่อผมเมื่อปีที่แล้วนีผมเป็นฟรีแลนซ์ผมสามารถผมรู้สึกผมปฏิบัติได้เยอะนะครับเวลามาส่งการบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อก็อบอกว่าเออที่ปฏิบัติอยู่ดีแล้วแต่ว่ามาณปัจจุบันเนี่ยคือผมได้งานทําประจํานะครับแล้วผมรู้สึกผมเกลียบนายตัวเองมากคือผมไม่ได้ได้งานที่ AA นะครับได้ได้งานข้างนอกก็ ค, คือรู้สึกว่าเกลียบนายตัวเองมากเกลียบจนเข้าขั้นที่ว่ารู้สึกว่าเกลียดงานหรือเกลียดนายเกลียบนายครับนาย เกลียดนายเพราะว่าไม่ว่าจะทําอะไรเขามาจัดด่าผมอยู่เสมอนะครับจนมีความรู้สึกว่าอยากกําจัดเขาทิ้งแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเร า, เร า, ย า, ยาละเพียมระลึกด้วยคําสอนของหลวงพ่อว่าอกุศลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราพยายามที่จะจับกิเลสเราให้ได้เพี ย, ายามจับโทสะเราให้ได้แต่ว่ามันก็มีแต่โทสะอยู่ทั้งวันแลอง เ, เ, เราใช้วิธีนี้สิสังเกตนายเราอะ เขามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาครับไปดูเขาโอ้สุดท้ายจะรู้สึกน่าสงสารจังคนนี้โทรศัพเราจะหายจิตเรามีความสุขเขาด่าดไปเรามีความสุขไปโถน่าสงสารคงจะเหนื่อยนะเนี่ยใจเราก็จะโปร่งสบายเราพอนางเราได้ครับเราไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้เราแก้ที่ใจเรายังว้นเราเปลี่ยนนายได้เราเลือกงานได้นะก็ดี ถ้าเปลี่ยนงานยังไม่ได้นายก็ยังไม่ได้เปลี่ยนต้องอยู่กับคนนี้ก็ต้องรู้วิธีที่เราจะไม่บาดเจ็บนะฝึกจิตฝึกใจของเราดูข้อสิหน้าสงสารมาดูสิมาพูดเป่าเป ล, ปลหน้าสงสารหนะครับเราเปลี่ยนไปมองแบบหน้าสงสารเห็นเขากําลังทุกข์อยู่นะใจเขาไม่มีความสุขอะไรเงี้ยถ้าเห็นแล้วน่าใจเกิดเมตตานะาใจเราเมตตาเนี่ยใจมันจะนุ่มนวลบางทีนายเราอ่อนลงไปเลยนะยกเว้น บางคนมันกระด้างมากอย่างเวลาแผ่เมตตาเนี่ยสัตว์ดูร้ายสัตว์อะไรนะอ่อนจะมีสัตว์สองชนิดนะที่แผ่เมตตายากคนก็กวายมีสองพวกนะที่สังเกตนะงูเงินนี่แผ่ง่ายงูมาแผ่นะก็ทำตามตัวให้ดูอินโนเซนต์น่ารักทำหัวใสไปใสมาน่ารักคนก็กวายต้องระวังเหมือนกันแผ่ไปก็คอยหลบไว คือทุกวันนี้ครับผมพยายามที่จะปฏิบัติโดยการรู้สึกตัวรู้สึกถึงสภาวะปัจจุบันใจใจมันเชื่อโทสะไปแล้ ว, ลวนะนะันเราต้องขจัดตัวนี้ก่อนใจเราเศ้ามองใจเเครียดๆนะจะมา ร, รู้สึกตัวมาดูกายดูใจทายากนะนั่นเจริญเมตตาให้มากวิธีเจริญเมตตาคือคนโบราณสอนดีนะบอกเอาใจเขามาใส่ใจเราเราลองดูสิพวกเขาก็ทุกข์นะ ถ้าพอเห็นว่าเขาก็ทุกข์นะใจเราจะเปลี่ยนเลยโดยที่เราไม่ได้เจตนาเลยคือรู้สึกอยากให้เขาทุกข์มากกว่านี้อะไม่ไงเรากเลยทุกไม่ได้รู้สึกเมตตาเขาเลยเราต้องไปซอปป้อมหรอกนะครับพยายามไปดูดูคนอื่นจากมุมของเขาว่าทําไมเขาต้องทําแบบนี้อย่างเงี้ยนะบางทีมองเขาด้วยมุมของเขาเนี่ยเราเข้าใจแล้ว เ, เข้าใจนะไม่โกรธละ น, นะไม่โกรธอยู่ในโลกอะ มันจะหาสิ่งที่พอใจอย่างเดียวเนี่ยไม่มีหรอกครับเมีนมีแต่ของเป็นคู่คู่เสื่อมราบมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกเนี่ยเป็นโลกเรื่องของโลกนะเราจะเอาอันนึงจะไม่เอาอันหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นะเราต้องอยู่กับมันแบบไม่ให้บาดเจ็บซะเองถ้าเราเกลียดมากๆเราบาดเจ็บนะ ต่อไปเราจะเกลียดทุกลมหายใจเข้าออกเราทําร้ายตัวเองแล้วตอนนี้เขาด่าเราแป๊บเดียวนะแต่เราเจ็บช้ําทั้งวันทั้งคืนเลยจริงๆเขาด่าโถวนังสารเมื่อยยังเนี่ยอย่างนี้นะใจเราหวานหวานนะใจเราเย็นสบายนะอย่างเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเอาความโกรธไปสู้ความโกรธไม่จบหรอกยิ่งเป็นมากขึ้นเครียดมากขึ้นแต่สภาวะจิตตอนนี้ก็ภาวนาต่อก็ไม่ค่อยเป็นธรรมยาก สมาติไม่ดีแล้วล่ะจิตมีโทสะแทบเป็นพื้นเลยไม่แช่มชื่นใจน <ะ S 1> ขอบคุณครับถ้ามันเป็นโทสะเป็นครั้งเป็นคราวอันนี้มันโกรธที่มารู้ว่าโกรธนี่หายอันนี้มันยอมยืนพื้นนะดูไงก็ไม่หายยิ่งดูยิ่งโกรธครับจ<น> ะ, ะไปแก้ตัวนี้จะเจริญเมตตาดีที่สุด หรือไม่ก็คิดถึงความตายแต่คิดถึงความตายมั้ยก็ไปคิดว่าเมื่อไหร่มึงจะตายสัทีอย่างนั้นไม่ได้ไปคิดถึงความตายนะขอบคุณครับทำเอานะชีวิตจะได้มีความสุขนายมันจะยั่งยืนสัแค่ไหนกาบนมัสการค่ะปฎิต้าได้ปฏิบัติช่วงหลังเนี้ยค่ะก็รู้สึกเหนื่อยก็เห็นรู้ว่า จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอะค่ะก็ได้เห็นว่าพอตอนช่วงที่เราเจอเวทนาเยอะๆอะค่ะพอบัลังต่อไปว่าต้องต้องเดินบุ๊คมันกลัวจิตมันกลัวมันไม่อยากจะเดินแล้วมันมีบางช่วงที่ว่ามันเหนื่อยแบบว่าจะแบบอยากจะอาเจียนอยากจะอ้วกอยากจะนอะอยากจะนอนอย่างเงี้ยหนืน่อยพราะทำงานหรือว่าเหนื่อยเพราะภาวนาอืม เหนื่อยเพราะภาวนาตอนนั้นคะโอภาวนาผิดสิถ้าภาวนาถูกนะภาวนาแล้วสดชื่นถ้าภาวนาแล้วเครียดจะอ้วกจะวก็หนึ่งไม่ใช่แล้แต่พอพอเสร็จปุ๊บพอหนูรู้ว่าอ๋อจิตมันเป็นสั่งปุ๊บมันก็เด้งดึ๋งขึ้นมาเลยอะค่ะมันก็รู้ว่าอะไรนะจิตมันเป็นอะไรนะมันรู้ว่ามันมันเป็นตัวตัวธรรมอะค่ะเออมันก็มีกําลังขึ้นมาแบบทันทีเลยอะค่ะตอนนัถ้ารู้ทันมันก็หายเลยค่ะก็รู้ทันแต่ว่าอย่างตอนนี้รู้บ่อยๆ ค่ะอย่างตอนเนี้ยมันทีบางช่วงมันก็จะแน่นๆน่แน่นแน่นล้วก็เหนื่อยค่ะอก็ก็ได้ได้แต่มองมันมองมันอยู่อะค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็คืออารมณ์โกรธเนี่ยจะมีบ่อยอจะมีบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วเราก็รั่วแล้วไว้ด้วยค่ะมันก็มีได้สองอย่างนะหนึ่งคือเราไม่ได้เก็บโกดไว้ก็โกรธเป็นธรรมชาติโกรธขึ้นมาให้เห็นบ่อยๆ อีกอันหนึ่งบางทีมันพวกมารมันแทรกแซงนะเวลาพวกเราภาวนาดีๆนะมารมันจะคอยกวางคอยแกล้งที่มันก็เพ่งใส่เรานะทำให้อึดอัดทำให้ไม่อยากภาวนาอะไรเงี้ยนะมารมีทั้งข้างในข้างนอกข้างในของเราก็กิเลสมารอภิสังขารมารนะหรือร่างกายเราบาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นขันธมาร น, นะ mm. มารข้างนอกก็มีเขาเรียกพวกเทวปุตตมารมารข้างนอกที่เป็นคนนี่แหละ ใครเขาภาวานาดีมันก็แกล้งเขาเพ่งใส่ให้อึดอัดเล่นก็มีนะมีนะเยอะแยะเลยคนอุตรลิพวกนี้แกล้งคนอื่นมีที่เราเข้าใกล้บางคนแล้วอึดอัดไม่ใช่ใครค่ เ, รเข้าใกล้บางคนแล้วก็โผล่นี่บางคนมันเจตนาแกล้งเลยก็มีใครภาวานาดีๆแกล้งเลยบางทีกําหนดจิตแทงเหมือนเอาเข็มแทงเอามีดแทงเลยก็มีนะพวกชั่วร้ายมันมีแกล้งกัน ไม่อยากให้ใครได้ดีแล้ ว, ลวก็ใช้กรรมเราโดนได้เพราะมีกรรมมีนะวิชนะาตพวกนี้มีอยู่เราตอ้ตองรู้วิธีป้องกันตัวเองตอนนี้ก็รู้เรื่องว่าขันธมานตัวเองด้วยะคะ่ะที่ว่าเป็นตัวที่ที่แบบให้แบบไม่มีแรงอืส่วนใหญ่ก็จิตเราเนะเดีย๋ยวพอเรารู้ทันจิตพวกมีแรงปั๊บเนี่ยไม่ใช่เรื่องกายละ นะที่ป้อแป้ไปเพราะจิตหรอกนะอภิสังขารามานีนะ่กิเลสมารปรุงจิตเรารู้ทันไม่ปรุงนะอุศนปรุงมีแรงขึ้นมาเลยคือไม่ว่าจะเกิดจากอะไรเราก็พอนางเรานะจะเกิดจากมารภายในหรือมารภายนอกเราก็พอนางเราไปวันหนึ่งก็ชนะมารมารไม่ชอบเราให้ควรชนะนตอนเจ้าชายสิท ธ, ธัตนถะจะทําความดีนะมารจะกว้าง ตอนที่ท่านทําผิดมารไม่ขวางท่านทําความดีอันแรกเลยเออกจากเมืองมาเกิดเลขคำมะออกจากกามนมารไม่ชอบออกจากกรรมเดี๋ยวจะบรรลุง่ายพยายามขวางมาห้ามอย่างนงี้นะขู่เคอถ้าไม่ยอมครั้งที่2ตอนที่ท่านไปทําผิดนั่งสมาธิผิดนั่งแบบลูซีมารไม่ยุ่งเลยท่านไปหลงทรมานกายมารไม่ยุ่งเลย ก็ท่านเดินทางสายกลางมานมากวางเลยเพวกเราก็เหมือนกันขนาดพระพุทธเจ้ายัางต้องเจอเลยเราบารมีแค่ไหนใช่หมที่เราจะภาวนาของเราดีๆมันก็เกิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มากวนใจเราไม่ให้ภาวนาแล้วก็ต้องอดทนเอาสู้เอาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เลิกภาวนาพราะใช้วิธีเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็ทำมาแบบนั้น ตอนนี้ต้งให้หนูพิจารณ나ยังไงบ้างะคะหนูทําดีนะโดยตัวเองอะดีที่มันอึดอาดมันแน่นมันอะไรนะมันถูกแกล้งเราภานางเราไปไม่ต้องไปต้อถอ ย, ยก็แค่ดูมันใฉยเฉยแค่รู่เห็นจะทําอะไรเราได้เลย <laughs> ขอบคุณค่ะครับนักสักการหลวงพ่อครับวันนี้ผมเพิ่งมาส่งการบ้านครั้งแรกะครับ ก็คือผมก็ดูจิตในชีวิตประจําวันครับยืนเดินนั่งนอนแล้วก็แต่ผมอยากแต่ผมยังมีไม่แน่ใจว่าอย่างผมมีความรู้สึกความอยากอย่างได้สิ่งสิ่งหนึ่งนี้ยฮะแล้วพอรู้สึกมันก็ดับแต่พอมันรู้สึกอีกทีรู้สึกแล้วก็ดับอะไรเงี้ยฮะแต่พอรู้สึกมันบ่อยๆเข้าเนี่ยครับความความอยากที่มันมีขึ้นเนี่ยมันมันเหมือนจะไม่มีแล้วครับไม่ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ที่ผมปฏิบัตินี่ทาถูกไหมครับถูกสินี่ปฏิบัติแล้วกิเลสแลนขึ้นนะคงไม่ใช่อ่ะ ปฏิบัติแล้วกิเลสต้องอ่อนแรงลงเรามีสตินะกิเลสก็หมดแรงไปทีมันเกิดอีกมีสติอีกมันก็ยิ่งหมดแรงไปเรื่อยๆอนุสัยมันจะอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆก็ถูกแล้วแพอเผลอมันก็ครอบเอาแต่ถ้าเกิดเป็นกิเลสบางตัวครับที่ยังเกิดไม่บ่อยครับแต่บางทีมันเกิดมันรู้ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดไม่บ่อยนี่จะจะแก้มันยังไงครับต่อไปพอเราจํามันได้นะเห็นมันหลายๆทีแล้วจำสภาวะได้ เมื่อสติก็จะเกิดขึ้นมากิเลสเนี่ยเราไม่ได้เอาไว้แก่นะกิเลสเนี่ยอยู่ในสังขารขันจัดอยู่ในกองทุกหน้าที่ต่อทุกคือการรู้นะเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยเราไม่ได้แก้หรอกแตโกรธขึ้นมาก็กรู้ว่าโกรธก็เห็นความจริงว่มาแล้วมันก็ไปให้ดูนะมีกิเลสอยู่ตัวหนึ่งเป็นข้อยกเวน้นมันมี2หมวกเป็นตัวทุกข์ด้วยเป็นตัวสมูทัยนี่คือตัวอยากนะ ตัวอยากเนี่ยโดยตัวของมันนะเป็นทั้งตัวทุกข์เป็นทั้งตัวสมุทยัยนถะ้าความอยากเกิดขึ้นพอเรารู้มันก็หายใช่ไหมเนี่ยในหายนะมันเป็นในในหมวดของตัวตัวทุกข์พอเรารู้ทันก็ผ่านไปในหมวดของกิเลสพอสติเราได้รู้กิเลสก็ดับความอยากก็ดับนะมันเล่นได้สองบทบาทนะตัวอยากเนี่ยแต่กิเลสตัวอื่นเนี่ยมีบทบาทเดียวนะมีบทบาทเดียวอยู่ในตัวทุกข์ ถ้าเปลนตัวสมูทยัยต้องละงั้นเวลาอยากขึ้นมาอย่าเพิ่งทําตามอยากนะต้องอย่าเพิ่งทําให้รู้ทันไปก่อนแต่บางตัวก็ยังยังละไม่ได้ก็ต้องให้มันเกิดขึ้นมาเราก็ละบ่อยบมันจะละได้เมื่อมาเห็นทุกข์เห็นโทษตัวที่ทําหน้าที่ละคือปัญญาไม่ใช่เราตัวที่ทําหน้าที่จับเอาไว้นะคือสติมันมาสติะระลึกปักมันเหมือนมันโด น, นจับได้ละสติเป็นตัวจับ สมาธิเป็นตัวตั้งมั่นปัญญาเป็นตัวเข้าใจแล้วก็ตัดลงไปทำลายลงไปงั้นเวลาที่สติไปจับอารมณ์อันนึงขึ้นมาปุ๊บจิตตั้งมั่นเป็นคนดูปัญญาก็ทำงานได้เต็มที่นะ ต, ตัวนั้นจะขาดสะบัน้นหายไปทันทีเลยนะถ้ามันไม่หายก็กิเลสตัวนี้แรงกว่าสติปัญญาเราเฝนะ้ารู้เฝ้าดูไปวันนี้เรายังแพ้วันหน้ามไม่แพ้ ต้องตั้งใจไปงี้วันนี้ยังแพ้อยู่นะต้องแพ้บ้างไม่มีใครชนะกิเลสหรอกเรานักปฏิบัติทุกคนล้มลุกลุกครานแต่ล้มก็ลุกใช่ไหมคลุกก็ไม่ยอาคลุกอยู่ฝุ่นนะคลุกก็ยังคลานไปอีกไม่อยู่คลุกฝุ่นคนโบราณไทยนี่เก่งจริงๆนะล้มลุกคลุกครานล้มก็ลุกขึ้นมาถ้าคลุกอยู่อย่าไปคลุกฝุ่นนะครานไปอีกก็เอาสู้เอาต้องใจได้ถึงขนาดนั้นนะ อยากขอ<ว>กรรมฐานอยากขอกรรมฐานหลวงพ่อครับเขาก็มาฐานครับ <c oughs> ขอไม่ได้กรรมาฐานอยู่ที่ตัวเราเองนะกรรมาฐานผมคนเล็บฟันหลังนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเองเห็นไหมกายนี้ใจนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเองเราดูอยู่ในกายดูอยู่ในใจนะตัวของเราไปสติระลึกรู้อะไรก็เอารู้นนั้นนะ่ะก็เห็น น, นั้นๆเป็นไตรลักษณ์ไปถ้าแค่รู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้เอาจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้เอาเลือกไม่ได้หรอก กรรมฐานมาข อ, อกันไม่ได้ของใครของมันเดี๋ยวขันของหลวงพ่อหมดนะมอบขอบคครับพระดีเดียวนะพระดีๆมีแบบมีศีลมีธรรมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่มีข่าวมีข่าวที่ไรก็เรื่องพาะไม่ดีถ้าลงมีข่าวไหมว่าวันนี้พระวัดนี้นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงออกนั่งสือพิมไหมไม่มีหรอก พระวันนี้เตะห ม, มาออกข่าวนะกลับน้ัพรสการครับหลวงพอ่อส่งกันบ้านครับผมก็มาก็ได้รับกันบ้านมาจากสาราลุงชินหลายปีแล้วครับแล้วท ำ, ทำเสร็จยังทำ <c oughs> ทาทาแล้ววันวันหนึ่งครับเห็นเห็นกายไม่ใช่ตัวเราใช่นะั่นแหละขันเป็นแยกแล้วนะครับแล้วแล้ว พอจิตไปคิดเนี่ยมันเห็นแล้วมันกระดับเลยครับอืมก็ถูกแล้วนะครับเห็นไหมมันไม่เที่ยงเห็นมันแยกแยกแยกเข้ามาแล้วออกไปเออนั่นแหละสองครั้งเปล่าสองครั้งนมันแยกกันแลยครับแยกขันเป็นละครับนะแต่มันก็รวมได้อีกครับเราก็ฝึกเราไปด้วยอย่าอยากแยกครับถ้าอยากให้แยกตลอดนะกลายเป็นแกล้งแยกคที่แยกก็จงใจดึงจิตว่าอันนี้ค้างๆอยู่เป็นความรู้สึกที่ผิดผมยังติดนิ่งๆอยู่ไหมครับผม อย่าไปอย่าไปเกาะไว้ให้นิ่งไว้ครับผมขณนี้นิ่งไหมนิ่งครับผมนะเออรู้อยู่แล้วนี่มาตามทำไมขอขันบ้านหลวงพ่อครับผมไปทำอีกสิทำได้ดีขึ้นแล้วล่ะที่ให้กันบ้านไว้แต่ก่อนน่ะดีที่ทำนะครับผมขันมันแยกได้แล้วครับผมก็ขันแยกได้แล้วดูขันมันทำงานไม่ใช่แทรกแสงขันนะดูขันมันทำงานเหมือนตามองเห็นรูป เห็นร่างกายมันทำงานเหน็นจิตใจมันทำงานดูไปสบายสบายครับไปไปทำเอาขอบพระคุณครับครับน้มัสการหลวงพ่อค่ะจนมาเป็นเล่มเลยเหรอหลวงพ่อค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาปีหนึ่งเราก็เริ่มฝึกจริงๆก็สองเดือนตอนแรกๆก็สองเดือนขันแยกยัง เนี่ยหนูกำลังจะมาถามหลวงพ่ว่าความรู้กับความคิดมันใกล้กันมากอะค่ะมันจึงทำให้เราไม่อยากเชื่อตัวเองว่าเราทำได้อแล้วก็หนูเป็นคนฟุง้งฟุ้งเก่งมากก็ตอนแรกเลยพยายามดูจิตแต่ดูแล้วเอาไม่อยู่ฟุ้งมากมาดูไกาลวงพ่ อ, อเป่าตะเกียแก่มากก็มาดูไกลฟุ้งมากนั่นก็มาดูไกล ค่ะเพราะว่าที่รู้เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไม่เป็นกลางอะค่ะเราก็หาความสมดุลไม่เจออืเวลาเขาทะเลาะกันข้างในเขาก็จะตีกันแรงมากแล้วพอเราเสร็จแล้วพอเราเห็นเราก็จะรู้สึกว่าไม่พอใจเอานะเราไปแทรกแซงละค่ะก็หนักเราอย่าไปยุ่งกับเขาให้เราเป็นคนดูเหมือนเราดูมวยนะคะมันชกกันเราดูช่างไม่เกี่ยวกับเราสักตัวงตอนแรกหนูไม่กล้ามาส่งกันบ้านเพราะว่ารู้ว่าตัวเองไม่ค่อยได้เรื่องแต่มีความรู้สึกทําไม่ ปรึกษาหรือว่าไม่ขอคำแนะนำก็จะเดินทางผิดถ้าไม่ได้เรื่องอะให้รีบมาถามใช่ค่ะเอ่อเพรว่าค่ะนูถามนิดนึงค่ะว่าสติกับสมาธิเราต้องทำเองใช่ไหมคะปัญญาจะเกิดเองใช่ปัญญาจะสติก็เกิดเองถ้าเราทำเหตุของสติสมาธิก็เกิดเองเมื่อเราทำเหตุของสมาธิปัญญาก็เกิดเองเมื่อเราทำเหตุของปัญญาสติเกิดจากจิตจาสภาวะได้แม่น เพราะเราดูสภาวะบ่อยๆเช่นรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆต่อไปสติเกิดเองไม่ได้เจตนาให้เกิดสมาธิก็ต้องทําเหตุของสมาธิศัตรูของสมาธิก็คือความฟุ้งซ่านของจิตและจิตไหลไปรู้ทันไหลไปรู้ทานสมาธิก็เกิดเองนะ mm hmm. เพราะมันมีเหตุเราสั่งให้เกิดไม่ได้ถ้าทําสมาธิแกล้งปั้งขึ้นมันะจะแน่นไม่ใช่ของจริง ปัญญาก็เหมือนกันถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางปัญญากเกิดเองอีกข้อหนึ่งค่ะหลงพ่อครับเวลาเรานั่งสมาธิสมมติว่าผ่านนาทีที่30สิไปส่วนใหญ่จะเริ่มชามเราควรจะขยับหรือว่าดูเวทนาไปเรื่อยๆค่ะแล้วแต่เราจะทำกรรมฐานอะไรถ้าเราดูกายนะแล้วก็เปลี่ยนอเดียบทได้ เราก็จเห็นเลยเมื่อกี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้อิริยาบถนี้เป็นอย่างนี้ถ้าเราดูจิตแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถได้ตอนนั่งอยู่ตอนชักชาชักไม่สบายใจเปลี่ยนอิริยาบถแล้วสบายใจเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราจะเดินเวทนาอย่าไปห น, นีมันนั่งดูแล้วแยกมันไปกายส่วนกายเวทนาะส่วนเวทนาะจิตส่วนจิตไม่ใช่นั่งเพื่อเอาชนะเวทนานะนะไม่ใช่นั่งเพื่อให้หายชา แต่นั่งจนเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกเพราะว่าถ้าเราเริ่มที่จะเอาชนะเราไม่ควรจะทำกแล้วล่ะอ๋อค่ะไม่ใช่ถ้าเราเริ่มจะชนะให้รู้ทันแล้วก็ทําต่อรู้ทันไม่ใช่ไม่ใช่ทำแล้วเลิกไปเลยนะเพราะรู้ว่าอยากปฏิบัติก็เลิกปฏิบัติเลยไม่ใช่นะอืมอ๋อก็รู้ว่าอยากความอยากดับไปก็ปฏิบัติต่อเนี่ยค่ะ แล้วของหนูนี่ก็คือต้องทำทั้งสองอย่างของหนูชิดมากใช่ค่ะนะให้รู้ทันจิตมันคิดมากนะคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายของใจเรื่อยๆอย่าไปชิดเอาค่ะขอบพระคุณค่ะความ ค, คิดมันล้ำไปค่ะแก้บรมสการหลวงพ่อค่ะว่าไงก็ช่วงก่อนนะค่ะมันมีติด มันติดซึมแล้วก็มีภาวะเหมือนกับว่าไปติดอยากจะเอาผลอะไรบางอย่างแล้วก็เหมือนชอบไปติดพิจารณาอะไรแล้วก็ฟุ้งไปเยอะแต่ว่าช่วงนี้ก็ดีขึ้นค่ะกลับมาดูที่อยู่ที่กายถ้ามันไปก็จะใช้กายเป็นหลักใช่มันมันก็ดีขึ้นค่ะเหมือนกับว่าพอมันมันจะทําให้เห็นความคิดมันเหมือนกับเป็นส่วนเกยมันเหมือนกับว่าไม่ใช่ของจริงอ่ะเหมือนของจริงคือกายเป็นฝันไปค่ะแล้วก็ แต่บางครั้งก็ยังมีติดแน่นจากจากของเดิมที่เพ่งอะนะคะมันแน่นแต่ในหนูก็จะถ้าแน่นก็ดูไปเลยว่าแน่นแล้วก็ไม่ไม่ได้อยากจะไปแทรกแซงมันนะค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะของโน้ที่ผ่านมามันแทรกแซงมากจนสติจะแตกอยู่แล้วใช่ค่ะ2เดือนก่อนมันมันแน่นมากจนหัวก็ปวดหน้าอกก็แน่นเป็นก้อนแต่ก็ไม่รู้ค่ะก็ยังยังคิดว่าอะไรมาดูไกลอย่างตอนนี้คุยกับหลวงพ่อมันเพลอแล้วรู้สึกมค่ะรู้สึกไกลไปทําถัวละ ตัวกายมันทํางานไปเรื่อยๆถูกแล้วค่ะแล้วอย่างถ้าเกิดว่าหนูนั่งเนี่ยแล้วบางทีมันเห็นว่ามันเป็นความรู้สึกว่าความสึกข้างบนแต่อันนี้มันเป็นก้อนๆอะไรถูกแล้วนั่แหละถูกแล้วแต่อย่าเจตนาตั้งตัวข้างบนนะมันมีเองใช้ได้ถ้าจงใจทําตัวนี้ขึ้นมานะของเกเลยค่ะมันไม่ได้เจตนามันมาเองแต่ต้องให้มันเนเองค่ะมาก็มาเข้าไปรวมกันก็เข้าไปรวมไม่ว่ามันนะค่ะมันจะขึ้นมาเอง ขึ้นไปที่หลวงพ่อว่าแยกธาตุแยกขันธ์นะมันแยกอย่างนั้นเลยไอ้นี่ไปก้อนๆอะไรก้อนนึ่งค่ะแต่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปพิจารณาเหตุว่ามันคืออะไรหรือบางทีเห็นเห็นขันเห็นแค่เป็นก้อนๆก็เอเข้าไปคิดว่ามันคืออะไรด้สิ่ไม่ใช่เราหรอกมันถูกรู้อยู่ดูไปแค่นั้นก็พอแล้ะเราต้องการอะไรต้องการเห็นไตรลักษณ์เท่านั้นเองค่ะแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะหลวงพ่อมันเหมือนกับว่าอาจจะเข้าไปคิดมากเกินแล้วมันก็ของหนูนะ ให้กันบ้านพูดน้อยคลุกคลีน้อยนะรู้ปัจจุบันไปรู้ไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนจำได้ไหมว่าให้พูดน้อยคลุกคลีน้อยค่ะแล้วก็ให้รู้ปัจจุบันไปแล้วก็อะไรกันอันนึงนะค่ะหลวงพ่ออย่โลภอย่าอยากได้ผลเรื่ยๆมันตัวนี้ค่ะหลวงพ่อเลยทำให้เข้าปปติไม่เฉพาะตัวนี้แล้วสี่ตัวนี้แหละ หนูรู okay. Remember, needs, an, okay. ้องพูดเมื่อไหร่สติแตกมื่นั้นค่ะเพราะงั้นพูดมากไม่ได้คลุกคลีมากไม่ได้สติจะแตกมันมันจะหลุดไปเลยใช่ไหมโอ้ยจะหลุดไปเลยค่ะไปทําไปค่ะขอบคมาสการเจ้าค่ะอ่าปีที่แล้วหนูส่งกันบ้านพระอาจารย์บอกว่าให้ลองดูจิตลงไปตรงตรงแล้วตอนนี้แยกขั้นแยกธาแยกขันได้ก็ดีแล้วนี่ถูกแล้ว เรียนกับหลวงพ่อนะบอกให้ทําอะไรก็ทําไปเถอะอย่าดู <Yeah. S 2> แป๊บเดียวก็เป็นบางคนนะยิ่งตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะพระบวชใหม่พูดอะไรคนไม่ค่อยเชื่อนะ <Yeah. S 2> บอกว่าเ hey, อ๊ะคุณดูจิตเข้าไปเลย <Yeah. S 2> ผมต้องทํำสมถาก่อน <Yeah. S 2> เราได้ยินเราก็อึ้งแล้วนะเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อไปไปอนุโมทนานะจนป่านนี้มันยังทําไม่เลิกเลย <Yeah. S 2> คนอื่นเข้าไปถึงไหนแนละ้วมันก็ยังทําของมันอยู่นะั่นนะะถ้าบอกให้ทําอะไรก็ทําไป ทำง่ายง่ายซื้อซื้อแคปเดียวขันก็แยกแล้วห <Okay. S 1> ลวงพ่อไปเมืองจีนไปสอนสวันวันแรกที่ไปถึงเนี่ยเขาเข้าคอร์สมาก่อนละสี่วันเป็นนั้นวันที่สี่ของเขาไปถึงไปกับครูบาเนี่ยเขาบอกขอให้หลวงพ่อไปโปลที่ประตู mm hmm. ให้พวกที่เข้าคอร์สเห็นหน้าหน่อยเขาจะได้ดีใจว่ามาจริงๆนะไม่ได้หลอก mm hmm. นะเขาไปโปลไปโผล่โอ้โหมึดตื้อเลยห้องนี้ ออกมาบอกครูบาวจะสอนไหวว่าเมื่อตื่นตือเลยไปทำสมถะทาผิดไปขยับนะเพ่งเพงเพงอาอีกวันหนึ่งไปสอนชั่วโมงเดียวนะเขาตื่นแล้วก็อีกนิดเดียวขันแตกออกมาในห้องนัให้ยกทาดแยกขันได้เยอะแยะเลยเพราะอะไรเพราะบอกให้ทำอะไรก็ทำเลยไม่คิดมากอ่ะ ชขาชินกับการเป็นคอมนิตนะสั่งสายสังขวาของเราชินกับประชาธิปไตยต้องต้องถกถแถลงก่อน <c oughs> แล้วชิ้นนี้หเห็นอนัตตานี้มันใช่ไหยคะ <S <S ใช่เราเป็นพวกปัญญากล้ามอยู่เห็นอนาตาอัตต์ไปทําอีกอันนี้จิตมีเลี้ยวมีแรงแล้วใช่ไหมคะมีเหมือนกันแต่ยังไม่มา ก, กแรงยังไม่พอหรอก <c oughs> มาหลอกถาม <c oughs> ไปทําอีกไปยังไม่พอ คือหลวงพ่อบอกว่าแรงมากแล้วนะจะขี้เกียจเนอะน้อสการค่ะหลวงพ่อค่ะว่าไงขันแยกไหมก็ขันแยากค่ะดีค่ะขันแยกแล้วจะทําอะไรอะ่ะก็ตอนนี้มันมีคําว่าบางครั้งไปเรื่อยๆแล้วมันติดเอมีเฉยแล้วก็เขาเรียกตันตรงที่คําว่าไม่รู้อะค่ะทำอะไรไม่ใช่หมายถึงว่าไม่รู้ทําเพื่ออะไรจะทําอยู่เหมือนก็มันโมหะค่ะอ๋อมันเหมือนกับ มันไปถึงจุดจุดหนึ่งคือแบบไมอะไรเงี้ยต้องม า, างตั้งสติก่อนว่าหนูทําอะไรอยู่หนูเกิดอะไรขึ้นเราต่อไปอยังไงต้องนะจิตมันฟุ้งซ่านไปแล้วนะจิตมันมีโมหะแล้วฟุ้งแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ทําไมค่ ะ, คะก็ก็เหมือนกับบอกว่ามันเหมือนกับดูไปียรเ่ียๆโทสะมันแทรกใช่ค่ะมีมความไม่พอใจมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่ามีแต่โมหะนะใแค่ๆๆๆมันเต็มไปด้วยโทสะ ให้รู้ทันจิตที่มีโทสะไว้ค่ะแต่มันนิดเดียวอะค่ะมันเหมือนต่อเละต่อเทียนแทรกกิเลสไม่ใช่ค่ะอาจารย์คือหนูรู้ว่ามันติดอะไรอยู่อะค่ะแต่หมายถึงว่ามันนิดนึงแล้วมันก็เปลี่ยนแต่มันจะแบบบ่อยๆค่ะบ่อยๆเลยเยอะเหรอเกินอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น่ามันแทบจะเจืออยู่ใช่ค่ะมันคลุมมันคลุมอยู่มันซ้อนๆๆกันอยู่หนูแย่เรารู้เป็นขณะขณะไปใจขณะนี้ไม่ได้เป็นกลางจริงใช่ไหม ในขนาดนี้มีโทสะอยู่รู้ว่ามีโทสะไม่ว่ามันหรอกนะรู้ไปเรื่อยๆเข้าใจมันมีโทสะมันจะไปเดินปัญญาได้ยังไงหนูรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันมีอะไรคลุมหนูอยู่แต่หนูไม่รู้ว่านั่นแหละที่กมานมันก็แกล้งนันอะไรออยู่่ะที่มานมันแกล้งเรานะครอบหัวเอานะค่ะมันมีนะเหมือนกับเราภาวนาดีขึ้นมาเมื่อไหร่แยกธาตุแยกขันได้มันแกล้งเลยให้เบลอเลเซ่อเซไปเลยก็มีะเราสวดมนต์ไว้คิดถึงพระพุทธเจ้า พุทธเจ้าชนะมานคคิดส่วนมันไปคพวกนี้มันมีจริงๆนะมันแกล้งอราทของหนูนะพอภาวนาดีมันแกล้งเหมือนคนนั้นอ่ะมันก็แกล้งงั้นเราอิติปิโสพระควาระหั่งสมาสัมพุทโธนะบฏิกรรมไปแล้วมันหนูมีความรู้สึกคือส่วนตัวหนูไม่ชอบสมถะค่ะเป็นมาตั้งนานแต่ช้องนี้ฉันหลังไม่ตองสมถะก็ได้ส่วนมันไปไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่ามันรู้สึก มันก็เรามันมีตัวจิตที่มันล็อกส่วนนี้คือแบบปฏิเสธไปเลยอย่างเงี้ยค่ะที่มีความไม่พอใจอยู่ตรงนั้นแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันอยู่ด้วยกันได้แต่กําลังพยายามจะปรับให้มันอยู่ในสมดุลคือพอเหมือนบางทีที่มันเกิดขึ้นแล้วแบบไม่อยากไม่อยากบริกรรมอะค่ะอืมันไม่ไม่รู้ว่าหนุเป็นอะไรคือก็ต้องกำหนดออกไปไม่อยากก็บริกรรมค่ะเบื่อก็บริกรรมขี้เกียจก็บริกรรมค่ะที่เรารู้ว่าเราควรบริกรรมเราก็บริกรรมละค่ะนะ นี่แหละค่ะว่าลมลุกคลุกคลานล่ะค่ะไม่เลิกก็ใช่ค่ะหนูก็ไม่เลิกอ๋อหนูน่ะภาวนาได้ดีมากนะมันดีเชินกระทั่งมันเข้าตามานขอบคุณค่ะราตขันมันแยกเดินปัญญาชํานิชํานาญค่ะเห็นไหมมันแสดงใจรักเห็นทั้งวันแล้วใจรใช่ค่ะก็เนี่ยค่ะหนูถึงไม่มั่นใจเอ้ยวันก่อนแล้วมันจะมาตื้อๆเลอะลอะใช่หยุดมันมันถึงจุดแบบว่า ก็ต้องต้องคิดก่อนไนงะแวบบช่วขณะที่คิดก่อนมันถึงจะเกิดการเคลื่อนเคลื่อนของดกก็คิคา่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, ะได้ก็คิดก่อนก็ได้มันเหมือนหนูรู้สึกว่าเออห น, นูมันมืนก็ช่องตรงนั้นหนูมืนโง่โง่งะค่ะเหมือนไม่มีความคิดอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรบางช่วงจิตมันแกล้งไม่เฉยเใช่ค่ะนะเวลาที่เราเดินปัญญาเนี่ยจิตจะไม่เดินปัญญารวดเดียวค่ะนะมันจะพลิกมาเป็นสมถะเป็นช่วงๆตรงที่แบล้งแบล้งพอดีเป็นสมถะนะค่ะ ส่วนจิต ท, ที่ทําสมถะเนี่ยไม่ค่อยจะพลิกเป็นวิปัสนาหรอกแต่จิต ท, ที่ทํา ว, วิปัสนาเนี่ ย, ยมากจะพลิกเป็นสมถะ เ, เป็นปกติต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนะไม่มีวิปัสนารวดเดียวไม่มีอ๋อเพราะตอน ค, อคือหนูก็ไม่รู้ว่าทําไมหนูถึงไม่ชอบคําว่าสมถะแบบได้แค่ได้ยินก็ไม่ชอบแล้วอะค่ะตั้งนานแล้วอะค่ะอแต่พอมาเป็นแบบกระสภาวะอย่างนี้คือแบบมันเหมือนกับก็มีคนแนะนำว่าให้มาดูดูดูอ๋อ รูปเพิ่มมากขึ้นแต่ก็คือพอได้ยินก็รู้เลยว่ามันมีความรู้สึกไม่ชอบของหนูก็กําหนดให้มันมันก็คลายไปแล้วมันก็อาจแบบลืมไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พรมันคือถ้าดูจิตชํานาญขนาดนี้นะทําสมถะด้วยจิตก็ได้ทำยังไงเหรอสนะังเกตดูในใจเรามีส่วนที่ว่างอยู่รู้สึกไหมค่ะเราอยู่กับความรู้สึกว่างแต่นะพักอยู่ใช่ค่ะบางครั้งหนูทํานั่นแหละพักอย่างนะั้นนั่นแหละสมถะละอ๋อนะนี่พอพักแล้วมีเดียวมีแรงแล้วถอยออกมา แต่ถ้าเรายังทํำสมถะด้วยเดินปัญญาด้วยแล้วยังตื้อๆนะมันโดนแกล้งงทีนะคิดถึงพระไว้ขอให้พระช่วยคุ้มครองแล้วเราก็ผ่อนนางขเราไปมอบกายถวายชีวิตมือนก็ภาวนาบางทีเจ็บเลยนะเหมือนก็มันทุบออกมาจริงนะเหมือนโดนแทงอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหเป๊ะๆเลยเหรอเออนะเหมือนถูกทิ่มถูกแทงถูกเชวดมีน้ำมันแกล้งค่ะมันแกล้งก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นคือหนูจะ ลุกเลยค่ะไม่ไม่สนใจ ว, ว่าตัวที่สู้มันได้ง่ายที่สุดนะคือการแผ่เมตตาแผ่เมตตาแล้วแรงมันจะอ่อนลงค่ะค่ะแล้วอีกอันนึงก็คือหนูมันน่าหนนะคนนะ <laughs> ชอบแกลง้ง <laughs> ค่ะอีกอันนึงคือหนูไม่ชอบคนมายุ่งกับหนูอะ่ะ mm hmm. หนูเป็นคนค่อนข้างสันโดษจริงๆอ่ะค mm ่ะ hmm. ช่วงแต่ช่วงหลังๆก็คือออกมาออกม า, ออกมาเจอแบบเพื่อนฝูงผู้คนก็คือแบบมันกับแบบว่า ตั้งใจจะทําอะไรบางอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่มันมอนจะต้องฝืนนะค่ะเพราะว่าเราพอนานหนีโลกไม่ได้ต้องไม่อยู่กับโลกค่ะก็คือมันมีความไม่อยากอยู่ตรงนั้นน่ยแต่เรารู้ว่าเรายังไปเรายังจะต้องพยายามอยู่ยังต้องเดินไปตามทางที่มันต้องเดินอย่างเงี้ยค่ะใช่ช่วงหลวงพ่อพอนานนะหลวงพ่อก็ไม่อยากยุ่งกับคนนะค่ะนิสัยหลวงพ่อเนี่ยไม่ยุ่งกับคนหรอกไม่พูดด้วยนะไม่ใช่พูดเปล่าๆทั้งวันไม่ใช่นิสัยเลยค่ะใช่ค่ะอาจารย์ พอเวลามีเวลาว่างว ก, ก๊บกเข้าห้องเราแล้วพ่อหนังเราทําอะไรก็ทําไปไม่ยุ่งกับใครหรอกคแต่มันจําเป็นต้องยุ่งก็ต้องยุ่งทุกวันนี้ยุ่งกับคนทั้งวันเลย ก, ก็ก็เนี่ยแต่ไม่เดือดร้อนอะไรยุ่งก็เหมือนไม่ยุ่งเนาะดูไปงั้นมันก็ใช่ค่ะพระอาจารย์แต่มาถึงจุดจุดนึงมันเหมือนกับแบบว่าหนูอยากจะได้หลักไปตั้งใจเไปวางใจของหนูไว้ตรงนี้ที่ดีความที่เป็น คนไม่ชอบยุ่งกับคนของหนูแต่ต้อง<ม>ต้องออกมาค่ะ<ม>ออกมาจากตรงส่วนนั้นอะ่ะ<ม>แล้วมันเห็นว่าถ้าเข้าไปยุ่งเราก็เกิดโบ ก, กดลงเหมือนที่มันเป็นอยู่เป็นเล้วกิเลสเกิดแล้วรู้เอาเนี่นแหละได้ฝึกซ้อมเหมือนเราเข้าสนามรบจริงๆแล้วเวลาไปยุ่งกับคนดูซีกรรมฐานที่เราฝึกใช้ได้ไหมหรือฟังภาพกลับมาะนะอย่าหนีเลยหนีโลกไม่ได้ค่ะมีอะไรต้องเพิ่มไหมคะ ก็ไปเฉลยเมตตาไว้ที่ถูกแกล้งก็จะลดลงค่ะมารมันก็ต้องแกล้งไว้ะขอบคุณค่ะนวมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อ, อหนูปฏิบัติในรูปแบบน้อยมากๆค่ะหลวงพ่อตอนแรกไม่กล้าส่งกันบ้านค่ะละอายใจ <laughs> แต่ครนี้ว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีควรจะรีบทรงใช่โยกขี้เกียจ น, นะ ค่ะถ้าไม่ดีเล่าอื่นแล้วโลภมากโกรธมากนะรีบส่งก็คือไม่ได้ขีิเัติภาวนาเนี่ยห้าอย่ามาส่งเลยแล้วก็พยายาพยายามดูก็ดูดูแค่กายดูกายดูใจไปขลุงพ่อแต่ก็มีความรู้สึกว่าเห็นเห็นแบบเราเราก็ยังแย่อยู่เยอะมากเห็นโทสะเห็นอิโก้ตัวเองเยอะค่ะพยายามเตือนค่ะ แค่ที่เห็นนั่นแหละค่ะเราได้เจริญสติเจริญปัญญาพยายามเตือนตัวเองสอนตัวเองอยู่เรื่อยๆค่ะหลวงพ่อแต่ก็รู้สึกว่ามันแต่คุณก็ดีขึ้นน ะ, ะมันก็ดีกว่าแต่ก่อนแล้วค่ะรู้สึกไหมใจเราเดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนเห็นความต่างไหมเห็นค่ะนะทําถูกแล้วละ่ะยังแต่ทาให้พอเท่านั้นนะทําบ่อยๆคใจถ้าใจมันกระจายมากไปก็คอยรู้สึกที่ร่างกายค่ะนะ ให้ใจมันกระจายฟุ้งกว้างๆออกไปโล่งๆว่างๆสบายๆอย่างเงี้ยย้อนกลับมาดู ก, กายไปได้เข้าบ้านจิตได้เข้าบ้านเมื่อจิตจะกระจายออกนอกไปไดดูตัวเนี้ยดูกายาบ่อยๆขอบคุณค่ะกล่านมัสการกับพระอาจารย์ค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนะหนูด้วยอะค่ะว่าหนูควรจะปฏิบัติเช่นไรค่ะให้ชี้ แน่ด้วยค่ะขยันไหยล่ะไม่ค่อยเท่าไหร่เจ้าค่ะนะปัญหามีอันเดียวอย่างเงี้ยก็ขยันหน่อยหลักก็รู้อยู่รู้สึกตัวก็เป็นขันก็แยกได้มันก็เริ่มแยกละเห็นไหมร่างกายกระดุกกระดิกใจเราเป็นคนดูเนี่ยขันมันแยก อะไรๆก็พอรู้อยู่นะอยากขี้เกียจท่า น, นั้นหละดูบ่อยๆเ <c oughs> จ้าค่ะก็คือธรรมดาหนูก็จะสวดมนต์ น, นะคะเป็นหลักแล้วก็ค่อยนั่งนิดหน่อยะค่ะได้ได้สวดมนต์นะสวดมนต์เราก็คิดถึงพระคิดถึงพระพุทธเจ้าความดีของท่านก่อนที่ท่านจะดีท่านก็เหมือนเราล้มลุกลุกคลานมาก่อนเดี๋ยวนี้ท่านดีแล้วเพราะท่านฝึกตัวเองนะเราก็จ ะ, จะเจริญรอยท่านเจ้าค่ะ ตั้งใจอย่างเนี้ยแล้วก็สวดมนต์ไปแล้วก็คอยรู้ทันใจไปใจหลงไปเรารู้ใจหลงเรารู้ฝึกเรื่อยๆใจมันจะได้กลับบ้านกลับมาอยู่ที่ตัวเองเนะจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะหลวงพ่อค่ะก็บาดเปื้อนหนู้องใสต้องทําให้ดีกว่านี้ขึ้นอีกเยอะกลับหลวงพ่อก่อนแล้วน <laughs> เนี่ยทําอะไรไม่ถูกกลับไว้ก่อน <laughs> อหนูต้องแข็งแรงขึ้นนะต้องทําให้เยอะขึ้นใช่ไ้มคะัะหลวงพ่อเดี๋ยวสัญญาแล้วกันนะคะเอเผื่อแก่แล้วเวลาเหลือน้อยนะน้องๆก็เป็นโชคดีของเรานะที่หลวงพ่อมาให้เรามาที่นี่ก็เธอเป็นคุณไม่ใช่แก่กะโหลกกะลาหรบที่ฝึกมานั้นก็ดีนะฝึกที่ผ่านมาก็ดีท่าทัดขันก็แยกนย่เงี แต่งานความรับผิดชอบเราเยอะมคิดมากมันลําบากตรงนี้มันเป็นหน้าที่เราถือว่าเราทําสงเคราะห์เราสงเคราะห์ลูกค้าสงเคราะห์ลูกน้องสร้างบารมีสาธุค่ะหลวงพ่อ <c oughs> ไหน <c oughs> ไหนก็ต้องทําแล้วก็ชิดมันทางบวกสาธุค่ะหลวงพ่อสาธุค่ะสาธุค่ะ สัญญาแล้วกันไม่เป็นไรหลวงพ่อหนึ่งชาติไม่ได้ก็10ชาติสิบชาติไม่ได้ก็มันต้องอย่างนี้ชอบที่สุดเลยใช่กี่ชาติก็เอาให้สุดท้ายหลวงพ่อน่าต้องอย่างนั้นนะคะอย่างนี้ถูกใจมากเลยสาธุค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อมาด้วยนะครับปีหน้าอนีิมนต์ท่านก่อนเลยท่านนิมนต์ก็มาอ่านิมนต์ค่ะสาธุค่ะนี่ครูบาเขาไปดูนิมนต์มาที่นี่เพิ่งมาแป๊บแป๊ไปดูผไม่ใช่มา15สิงหา ใช่ก็มานนหนึปีพอดีใช่เขาปีพอดีเราก็รอหลวงพ่อกันนะคะก็ก็เป็นบุญอย่างยิ่งที่หลวงพอ่อเมตตาเรานะคะน้องๆดีใจค่ะว่าหลวงพ่อมาแล้วว่าดีใจสุดๆแต่ว่าคำว่าดีใจแล้วดีๆก็คือต้องไปปฏิบัติให้หลวงพอ่อชื่นใจเนะอย่างนี้นะก็หลวงพ่อชื่นใจอะที่เนี้ยหลวงพ่อถึงมาบ่อยปีนึงมาครั้งหนึ่งนี่เรียกว่าบ่อยนะถ้าในหดูพวกเราแยกท่าแยกขันได้ไหม บางที่สอนแล้วมันไม่สนใจบางหน่วยงานนะแบบที่จัดทุกเดือนทุกเดือนเลยนะ่ยจัดแบบจัดทรงเดชไปไงั้นนะไม่ภาวนาอย่างนั้นอันนี้มลเราไปทีหนึ่งก็เข็ดเราไม่เอาละเสียเวลานนะพวกเรามาฟังเทศแล้วอากไปทำเรามีพัฒนาการทางจิตทางใจหลวงพ่อเห็นแล้วเอ้ยก็น่าปลดหรอกเนาะ บางคนมันก็ไม่ไหวเหมือนกันน้องๆจําไว้นะปีหน้าต้องให้ดีกว่านี้นะต้องไปช่วยกันทําให้ดีกว่านี้นะนะเราสัญญากันนะนะคะก็เราอย่างนี้แล้วกันน้องเราช่วยกันถวายของหลวงพ่อแล้วก็กราบหลวงพ่องามๆสักสามครั้งนะกราบคาถาหลวงพ่อนะครับพวกเราครับเดี๋ยวเราตั้งจิตตั้งใจนะครับกล่าวนโมพร้อมกันสามจบครับ นะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะอีมานิไม่ยังพันเตสังฆทานานิ จตุปัจญานิสัปปาริวาลานิพิกขุสังคะะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกขุสังโคอิมานิสังคทานานิจตุปัจญานิสัปปาริวาลานิปฏิคันหาตุ อมหากังทีขรัตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทานจตุปัจจัยและบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับ สังฆทานจะตุปปัจจัยและบริวารทั้งหลายเหล่านี <bean> ้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่บรรพชนของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินรับผ่อนนะ ยถ า, าวาริวหาปุราปริปุเรนเตสาครังเอวาเมวาอิโตทินงังเปตาหนังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวาสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติระโสยะท า, ะ ส, ทาสัพพีติโยวิวัชฉันตุสัพรโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกพวะอภิวาทนาสิลิสนิจจังอุทธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิปัจจัย <c oughs> ที่ทางเครือนำทองถวายนะหลวงพ่อจะเอาไปทำโบสนะสาธุสาธุสาธุ